ตัสสะมะขาวะโตอะระหะโตสมมาสมบูทัสสะนโมตัสสะมะขาวะโตอะระหะโตสมมาสมบูทัสสะนโมตัสสะะวะโตะระหะโตสมมาสมทัสส นาทิเมสรนังอันยังโอโทเมสรนังวารังเอเตนะสัจวัชเชนาวัตยังสัตุศาเสนนาทิเมสรนังอันยังนามโมเมสรนังวารังเอเตนะสัจวัชเชนา วาดเจีงสัตุสาสเนนาติเมสารนางอันยังสังโภเมสรนางวารังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวาดเจียงสัุตุสเนีก็ขอบมธนาขาบอกเรานะตั้งใจในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ในครั้งที่แล้วในพูดในเรื่องของคัมพีร์สติบฐานสูตรแล้วก็มาเชื่อมโยงในเรื่องของคําว่ามิชาทิถีกันอยู่เนาะเพราะว่าจากคําสอนโดยเฉพาะว่าเราเรียนในเรื่องของเอกาญโนอิยังพิกเวมาโคเป็นต้นเหล่านี้เกี่ยวในเรื่องของว่าการเจริญสติบฐานสูตรเนี่ยการเจริญับในตามคัมพี์สติบฐานสูตรที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยที่บอกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ําไรลําพันธุ์เพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัตเพื่อบยาลยู่ใหญ่ธรรมเพื่อกระทาพระนิพพานให้แจ้งขนทางนี้ก็คือสติปัฏฐาน 4, สสติปัฏฐานสเป็นฉไหนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัตในโลกจะได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่แล้วก็พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเจะได้ไหมตอนนี้อยู่ในชั้นของอุเทศแต่พอพูดถึงในชั้นของอุเทศเบ็เสร็จแล้วก็ไปพูดถึงในคําสอนโดยทั่วๆไปก็คือว่าที่บอกว่า เกี่ยวกัเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่บอกรู้จักสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นความรู้ของเธอจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิต่างที่ได้กล่าวใช่ไหมแล้วก็พูดในเรื่องของว่าเออถ้าจะไปรู้จักมิจฉาทิฏฐินั้นเอาอะไรไปรู้บอกเอาสัมมาทิฏฐิก็ไปรู้ในมิจฉาทิฏฐิที่พระพุทธมัสสสดาท่านตรัสเอาไว้ในพรหมาชาลาสูตรก็ดีใน คำพีเอกานิบาต ท, ทุกกาณิบาตหรือในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปันนาเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่ท่านกล่าวไว้ค่อนข้างเยอะๆหมดเลยนะถ้าประมวลในคําสอนต่างๆเหล่านั้นก็คือว่าสัตว์ที่ยังไม่บรรลุนี่เนะียยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นก็มีทางอยู่สองทางไนงะคือทางที่ผิดเขาเรียกวิชฌาทิฐิกับทางที่ถูกกล่าวคือสัมมาทิฐิทีนี้การเดินทางผิดนะี่เกิดขึ้นกับคนผ่านที่เขาเรียกว่าพาลูปปเสวนา เกินานเดินทางถูกก็เกิดขึ้นเพราะการครบคนดีเป็นต้นมาจากคาว่าสัพพุริสูปะเสวนาเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้หากหลงเดินทางผิดก็จะทําให้เส้นทางของสังสารวัตรนั้นยาวนานไอเส้นทางของสังสารวัตรยาวนานในที่นั้นก็คือเส้สนทางของขันทาตัญตนะนั้นมันจะเกิดขึ้นสืบต่อกันอย่างยาวนานเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นทางของสังสารวัตรนั้นยาวนานใช่ไหม เพราะขันท้าดายฐานะที่มันเกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายนี่แหละอันเนี้เขาเรียกว่าหนทางแห่งสังสารวัตที่มันยาวนานและยาวไกลมาเนี่ยเพราะเราเดินทางผิดชัดเจนที่สุดก็คือทางในเราเดินผิดแน่นอนและเมื่อเราเดินผิดแน่นอนเนี่ยเราฝ่าดงมิจฉาทิฏฐิมาอย่างก่วงไกลอย่างยาวนานเนี่ยมิจฉาทิฏฐินั้นมันก็ยังฝังแน่นในกำมูลสันดานของเราท่านทั้งหลายอยู่แล้วเรายังถอดไม่ได้ด้วยครีมกล่าวเพ อ, อริยมัก เราไม่สามารถจะถอดออกมาได้นั้นถ้าเป็นความคิดของเราท่านทั้งหลายนี่นะถ้าไปบอกว่าเออเราน่าเห็นว่าน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างเนี้ยแต่เราไม่ได้เทียบเทียงว่าความเห็นของเราท่านทั้งหลายนั้นน่ยตรงกับในคําสอนของพระบรมศาสดาหรือไม่ความคิดในลักษณะอย่างนั้นผิดแน่นอนไม่โอกาสผิดแทบร้อร100์เนตันเปอร์เซ็ต เพราะว่าเรารู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นวิชชาทิฏฐิถ้าไม่เกิดขึ้นจากการเทียบเคียงพระธรรมคาสอนของพระบรมศาสดาใช่ไหมมันจะต้องเกิดขึ้นจากการเทียบเคียงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเทียบเคียงกับความรู้สึกเราชอบหรือไม่ชอบไอความรู้สึกที่เราชอบหรือไม่ชอบนั้นน่ยมันฝังแน่นมาอย่างยาวนานแล้วในกมลาสันดานของเราท่านทั้งหลายฉะนั้นถ้าเราไม่สมาทานในการที่จะละ หรือมีมาตรฐานในการเทียบเคียงให้ชัดเจนแล้วเราจะเข้ากลองเข้ารอยของสมาธิได้อย่างไรแล้เอาใจเราชอบได้ไหมว่าคนคนี้เออพูดแล้วถูกใจเนี่ยแล้วคนคนนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่ไหมเราควรจะเดินตามเป็นต้นเราควรเยาะเป็นแบบอย่างเป็นต้นมันใช่ไหมนั้นเราต้องคำสอนของพุทธเจ้าคําสอนของพระบรมศาสดาเป็นเครื่องวดัดเป็นเครื่องตัดสินถึงแม้ว่าเมื่อไปได้เครื่องวดัดเครื่องตัดสินแล้วมันไม่ถูกใจเรา เราต้องรู้จักที่จะฝืนเดินออกจากความคิดอันนั้นถ้ามันไม่เดินออกเนี่ยเราก็ต้องเดินทางผิดอย่างแน่นอนเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยทนถ้าเราเดินทางผิดแล้วก็ประสบไปละหล้จุดหมายในสุดริงก็ประสบกับชาติที่ทุกข์ชราทุกข์ใช่ไหมวราณาทุกโศกกา ป, ปรีเดวะทุกขโทมานาสสาุปายาตเป็นต้นทีนี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถามว่าทําไมพระ อ, องค์จึงรู้จักสมาทิฏฐิ พ ร, ะ, พระองค์มีสัพพัญญตยานใช่ไหมสัพพัญญตยานของพระบรมศาสดาครอบงามอะไรครอบงามิฉาทิฏฐิหกคือไม่ว่าจะเป็นสัตสตาทิฏฐิที่เขาเรียกว่าสัตสตาวาท่านน่ยเห็นว่าเที่ยงเนะี่ยหรือเอกระจส่สัตสตาทิฏฐิบางอย่างเที่ยงอันตานณติกาทิฏฐิบอกว่ามีที่สิ้นสุดและไม่มีที่สิ้นสุดว่าโลกเนี่ยนะโลกนี้นั้นหมายถึงโอกาสโลกนะอัมเเรอมราวิเขปะ ทิฏฐิก็คือกลุ่มที่ซัดสายอธิษฐาสมุปันนาะทิฏฐิก็คือกรณีที่เห็นว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเป็นต้นอันนั้นกลุ่ม18จําจำพวกนี้เขาเรียกว่าปุกพันตานุทิฏฐิ18ประการต่อมาก็คือกลุ่มพวกอปรันตะอปรันตะทิฏฐิเนี่ย น, นะเป็นทิฏฐิในส่วนของที่เป็นไปในอนาคตอีก44ไม่ว่าจะเป็นในด้านของสัญญีวัะ สัญญาไอ้สัญญีวาทคก็คือสัญญีทิฏฐิไอ้สัญญีทิฏฐิเนว่าสัญญานาสัญญาทิฏฐิแล้วก็เฉททิฏฐิแล้วก็ทิฐาธรรมนิพพานอีกห้าจพวกรวมเป็นทั้งหมด55ก็บวกอีก18ก็เป็น62เนี่ยนะแล้วก็ในบรรดา62นี่ก็มีสักจะทิฏฐิที่มีวัตถุ20่สนั่นแหละเป็นแกลนกลางหรือเป็นประธานทีนี้ในการกล่าวประเภทมิจฉาทิฏฐิในคมพีชั้นพระไตรปิฎกอัจฉ ร, ริยะรีการเนี่ยนะ ท่านจำแนกไว้ค่อนข้างเยอะแม้ในอังคุตรนิกายก็มีกล่าวไว้กล่าวพวกอัสาธิทิอัตตาธิทิคือสักกายธิทิแล้วก็มีจาริทีในอังคุตรนิกายกล่าวอีประเภทหนึ่งก็คือในกลุ่มทุ ก, กานิบาศก็พูดถึงในเรื่องของปุปเพกะตะเหตุทิฐิอิสระนิ ม, มานาทิทิแล้วก็เหตุกุกัธิอเหตุุกัอปัจญาธิฐิอันนี้นคือปฏิเสธในเรื่องของเหตุ ในคำพีธรรมสังคณีท่านก็จาแนกไว้าสามประเภทมีศีรพัตสีรพตาสีระประารปรมาสะทิฏฐิวัตตาปรามาสาทิฏฐิแล้วก็สีรับพั ต, ตปรามาสะทิฏฐิเนี่ยแม้ในชั้นของวินยัยยปีดกหอวินัยอัตกถาแล้วก็คมพีวิสุทธิมารคท่านก็จําแนกทิฏฐิเป็นอุเฉทิติสัตว์โลกขาสูรหลังอยากตายกับนวสัตตะ ปาตูกภวะทิถิคือสัตว์โลกที่เกิดมานี้เป็นสัตว์ใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัตว์ในพบก่อนอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ในคําสอนโดยทั่วๆไปนะในกลุ่มของคำพีทีขณิกายปฏิการก็จําแนกไว้สองประเภทพวกภวะทิถิกับภาวะทิถิคือสัตวสรทิฐีนะถ้าภวะทิฐิถ้าเราไปเห็นในพระไตรปิฎกโดยทั่วๆไปเนี่ยท่านจะกล่าวภวะทิถิก็คือสัตสระทิถิและความเห็นผิดว่าสัตว์โลกเป็นอมตร ทวิภะวะทิฐิก็คือว่าเป็นอุเฉตทิฐินั่นเองสัตว์ติตายแล้วขาดศูนย์ถ้าไปดูในคัมภีร์ของชานของสังยุตานิการเนี่ยนะสังยุตานิกายเนี่ยนะยนยนยนะท่านก็จําแนกไว้ประเภทอเยตุกาทิฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุอัคคียทิฐิความเห็นว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปที่เรียนไปแล้วเนี่ยแล้วก็นัติกาทิฏฐิเห็นว่าไม่มีอย่างเงี้ยนะท่านก็จําแนกไปในลักษณะอย่างนั้น ทีนี้ท่านก็บอกว่าบรรดาทิฏฐิประเภทที่นิยธรรมิฉาทิฏฐิดังที่ได้กล่าวเนี่ยไม่ว่าจะในชั้นของกคมพีที่มชิมานิกายก็ดิอุปริปันณาตก็มีนะบอกว่าคู่ที่คิดค้นทิฏฐิสามประเภทนี้คือนายวัฏ ส, สะและก็นายพัญญะชาวเมืองกุกกลาคือผู้ที่เป็นนิยธรรมิฉาทิฏฐินี้ย่อมได้รับวิบากกรรมในบายอย่างแน่นอน แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะช่วยคนที่มีมิจฉาทิฏฐิประเภทนี้เช่นในกรณีของอริทกะภิกษุแล้วก็สมณเณรากันตะกะนี่นะไปดูในพระวินัยที่ใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้ายัางไม่ยอมเลิกล่าเนี่ยนะนี่อิทธิธรรมิจฉาทิฏฐินี้ให้วิบากไร้ขีดจํากัดนั้นสัตว์โลกที่มีเนืตามิจฉาทิฏฐินี้ท่านเรียกว่าวัตขานุวัตคานุ ก็แปลว่าตอแห่งวัตะวัตตานุคือตอแห่งวัตะฉะนั้นกรณีที่มิจฉาทิฏฐิต่างๆเหล่านี้ในรพระไตรปิฎกพระพุทธองค์มีพุทธประสงค์บอกว่าผู้ที่ศึกษาคำสอนของพุทธเจ้านี่นี่ยนะทุกอกรรถวิญญาณชนะของคำสอนของพพุทธเจ้านะั้นนะ่ะก็คือหลักความจริงปราศจากมิจฉาทิฏฐิโดยประการทั้งปวง ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าต้องการตรวจสอบความคิดเห็นของตนเองอะไรต่างๆเหล่านี้ ก, ก็ก็ต้องตรวจสอบตามพระธรรมคำสอนดังที่ได้กล่าวทีนี้โดยเฉพาะว่าเมื่อเราศึกษาคําสอนดังกล่าวแล้วเราอาจจะมองไม่ชัดก็ใส่คูบาลยานทั้งหลายท่านช่วยขยายความเชื่อมโยงให้เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจในปันจัตยาศูตรมชิมานิกายอุปริปันธาต พระพุทธเจ้าก็แสดงทิฏฐิก็ว่าคือจำแนกทิฏฐิคือประเภทของทิฏฐิหกสิบสองที่มาในพรมัาชลาสูตรแล้วก็บวกสักยะทิฏฐิอีกหนึ่งนะบวกสักยะทิฏฐิอีกหนึ่งในนั้นท่านเลยไปรวมเป็นหกสิบสามแต่จริงๆแล้วก็คือหกสิบสองนั่นแหละ เพราะสกยตทิฏฐินี้เป็นประธานเป็นรายละเอียดของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายอันนั้นก็ต้องเก็บจากพระไตรปิฎกอิตาสาเลดีกาดังที่กล่าวก็จะทําให้ความเห็นเราชัดเจนขึ้นไอ้ตรงนี้อาตมาก็จะไล่คําสอนตรงนี้เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ได้ทราบที่ไปที่มาเหตุหลักสําคัญที่กล่าวไว้ในคัมภีอังคุตรนิการเอกนิบาตนะท่านจะกล่าวไว้เลยบอกว่าเหตุของมิจฉาทิฏฐิคืออโยนิโสมนสัสการ แล้วก็ปรตโตโคสะปัจัยคือปาปมิธนี่นะสองประการนี้เนะี่ยเราก็ให้สังเกตกันไว้ว่ า, วาทางแห่งมิจฉาทิฏฐิหรือถ้าเราดูอย่างนี้มันได้ดูเหตุตรงกันข้ามตามหลักคําสอนในเนติบุรกรหรือคําสอนในพระตละีพิตรทั่วไปเนี่ยถ้าอายโยนิโสมนัสิการและพวกบรรดาปาปมิธทั้งหลายที่เป็นปรตโตโคสะเนี่ยเป็นปัจจัยถ้าอายโยนิโสมนัสิการนี่เป็นปัจจัาายาจภายใน ถาปาปมิตรเนี่ยนะเขาเรียกปรโตโขโศนี่เป็นปัจจัยภายนอกทั้ง2ปัจจัยนี่แหละที่เป็นปัจจัยเกิดมิจฉาทิฐินั้นมิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญภัยบูญยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปจเจริญไปถึงขนาดไหนจเจริญไปถึงขนาดนี้ตา ม, มิจฉาทิฏฐินั่นแหละนั่นะแหละความเจริญของมิจฉาทิฏฐิจะ ถ, ถึงสุดแล้วดังนั้นแปลว่ามันถอยกลับไม่ได้ นั้นตราบตราบใดเรายังเสพกับอโยนิโสมนัสิการอยู่คือการไม่ฉลาดคิดใช่ไหมไม่มีกาลนามนัสิการไม่มีอุปายามนัสิการไม่มีปัฏฐามนัสิการไม่มีอุปาทกามมนัสิการนะในใ น, ในการที่จะเป็นตัวตัดวงจรของมิจฉาทิฏฐินะแต่ถ้ามีโยนิโสมนสิการเนี่ยจะเป็นตัวตัดวงจรของมิจฉาทิฏฐิภายในได้อย่างดีแล้วถ้าหากไปเจอปลาประมิทมันก็ช่วยได้ใช่ไหม ก็ช่วยได้เมาะอถ้าโยนิสมศนักการแข็งแรงใช่ไหมปาปมิดก็ไม่มีไปไม่มีไ ม, ไม่ไม่สามารถจะเชื่อมโยงสู่ใจเราได้ทีนี้เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องเกลือกเก่ยกับพลชนเยอะมากใช่มมันทั้งในบ้านนอกบ้านนี่แหละอันนี้เราจะทำยังไงในคำสอนต่างๆท่านจะกล่าวไว้ท่านกล่าวไว้บอกว่าเออถ้าพูดถึงอัตตาทิฏฐิในอัตตาทิฐินี่นะ ตอนเนี้ยมาอยู่ในรักมารู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมาใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่านิดหน่อยตรงเนี้ยนะพยายามเดินมิจฉาทิฏฐิให้ครบตามที่อาจมาตั้งใจไว้เนี่ยนะเดินให้ครบวงจรจะได้ครบในความรู้สึกนะจะไม่ได้ครบในคําสอนพระเจ้าบอกว่าเออให้เราท่านทั้งหลายได้มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยมิจฉาทิฏฐิชัดเจนพอสมควรและในใจในทิฏฐิต่างๆนี่นะ ทำต่างๆกรรมต่างๆที่หยาบช้าเร็วซามต่างๆเนี่ยนะถามว่ามีอะไรเป็นปัจจัยเขาต้องบอกมีนี่แหละมิจฉาทิถีเหล่านี้เลยแหละที่ฝังแน่นในกรรมละสันดานของเราของสัตว์ทั้งหลายผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารฉะนั้นในกระแสของขันธ์ธาตุยตนาที่กําลังหมุนไปตามเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยทุกวินาทีเนี่ยนะฉะนั้นสังสารวัตอันหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้เนี่ยสืบย่อมสืบต่อ ก็เรียกว่าต่อเนื่องอยู่ในอนุสัยของสัตว์ทีนี้ทำที่หยาบชา้าเร็วซามนี่ที่ทําให้เกิดในบโยภูมิยู่มะที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรดอสุรก า, ายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกแล้วก็เป็นคนพานเนี่ยชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นว่าโดยต่ําสุดแล้วก็ได้แก่พวกมาถ้าต่ําสุดก็พวกสัตว์ที่ไปอยู่ในอเวจีรองลงมาก็พวกหมูหมาเป็ดไก่ช้างม้าวัวควายนี่แหละ่ังต่างๆเหล่านี้คือเขารองลงมาใช่ไหม เมื่อวันก่อนก็ตลับไปเนี่ยเวลาเห็นรถวิ่งฟืดไปเนี่ยเขาเป็นทวกหมูมันก็ทับกันแล้วมันก็ร้องมันเอาปากออกมาแล้วก็ร้องอย่างดังมันตะโกนร้องร้องรองแล้วก็นึกในใจว่าหืมหน่ากลุมนาแท่นนี่นะไอความที่ว่าเรายังไม่พ้นแล้วเรามีโอกาสจะไปเป็นเนี่ยเราเคยเป็นแล้วเรามีโอกาสที่จะไปเป็นเนี่ย น, นั้นถือว่าต่ําและต่ำสุดๆแล้ว ทีนี้ถ้าเราเห็นว่าแนใบยภูมิเนี่ยบางคราวเนี่ยถามว่าสาตัตว์ในใบยภูมิอย่างนี้ถ้าเรามองในแง่ของสังสารวัตรเนี่ยบางคราวเนี่ยสัตว์ล่านี้ไปเกิดเป็นเท้าหมหาพรมก็เคยมาแล้วเห็นไหมแต่ในปัจจุบันนะพบนี่เราก็มาเห็นว่าเขาตกต่ํามากหรืออาจเป็นอาภัสรพรมหรือสูงกว่านั้นก็เป็นสุปกินหพรมสูงกว่านั้นก็เป็นเวหาพราพรมหรือสูงกว่านั้นก็เป็นอรุปพรมก็ได้เนี่ย แม้ได้เกิดในพรหมโลกชั้นสูงสูงแเบบ็ดเสร็จอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถหมุนเวียนตกลงมาในใบโูมีก็ได้เพราะเหตุนั้นน่ยนะในัำพีวิพังวิพังกรปกรเนี่ยท่านจึงกล่าวไว้บอกว่าอุคขิตาปุญญาเตปุญญเตเชนะ่ากามรูปักคติงคตาเนี่ยภวะคขตังปีสัมปตตาปูนคัดฉันติทุกติงทุกข ะ, ขะติงเนี่ยนะตรงนี้ เขาบสัตว์เนี่ยผู้อันเดชะบุญนยกขึ้นแล้วสามารถไปเสวยสุขในกาลมาภูมิรูปภูมิก็ได้หรือแม้เสวยความสุขในเนวะสัญญานาสัญญายาตนาภูมิเป็นต้นก็ได้อันเป็นภูมิที่สูงสุดขนาดสัตว์ที่เกิดในภูมิที่สูงสุดขนาดนั้นเ น, เนวะสัญญาณาสัญญาญาตนาภูมิถือว่าเป็นปุตุชนภาวะฆ่เลยเนะเออเป็นสัพพภาพะวะฆ่แล้วสูงสุดขนาดนั้นและเป็นสุดยอดของภูมิแล้ว แม้ในที่สุดก็ยังกลับมากลับมาเกิดในใบยภูมิได้อีกเห็นไหมนี่นี่แหละคือคือเป็นเป็นโทษตรงเนี้ยพอดูมาไปดูในคำพีวิพังยังไงมาโอ้ยนึกสะโดดใจเช่นบอกว่าโอเคตวาปุญญะเตเชนากามรูปาคติงขาตาภาวะคตังพิสัมปตา ปูนาคาชันติดุคาคาติงเห็นบอกโอ้โหสัตว์ที่มีบุญเนี่ยนมีเดชบุญมากสามารถไปสวยสุขในกามภูมิรูปภูมิและสวยความสุขในเนวสัญญานาะสัญญายาธนาภูมิอันเป็นภูมิที่สูงสุดในบรรดา31พบแล้วแม้สัตว์เหล่านั้นบางคาวก็ยังสามารถย้อนกลับมาเกิดในอบายภูมิได้อีก บอกสังสารวัตรนี่น่าสลดใจจริงเ น, นอถ้ามาพิจารณาอย่างนี้นะว่าเราท่องเที่ยวไปมาเนี่ยน่าเจะปวดแทะไอมิจฉาทิติที่ฝังแน่นในกมลาสันดานของเราท่านทั้งหลายฉะนั้นสัตว์ผู้มีทิฏฐิกรรมและทำอันต่าตําช้าเร็วซามอยู่เบื้องหน้านะถึงแม้เป็นท้ามหมาผมก็นับว่าอยู่ในปุตุชนภูมิไม่ได้สูงส่งอะไรเลยเป็นแค่ปุตุชนภูมิเท่านั้นเองแล้วก็เป็นปุตตุชนบุคคล น, นั่นแหละ ไม่สามารถที่จะพ้นด้วยความเป็นปุถุชนภูมิและก็ปุถุชนบุคคลได้ต่อให้ท่านทั้งหลายมีสถานะเป็นยันทาวมหาพรหมหรือเนวสัญญาณสัญญาญตนะพรหมเห็นไหมโทษของอัตติถีสักยะทิฐีเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลที่สูงส่งก็คือสูงได้แค่ปุถุชนเนี่ยมันสูงกว่าแล้วถ้าภูมิก็คือปุถุชนภูมิ เป็นภูมิเป็นชาติภูมิของบุรุชนเป็นโคดของบุรุชนไม่สามารถจะข้ามโคดของบุรุชนได้แล้วก็เป็นแค่บุรุชนภูมิแล้วก็เป็นปุรุชนบุคคลเท่านั้นแหละนั้นสถานะที่เราได้กันทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องเสเทือนใจว่ามันคือบุรุชนเท่านั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นเกินโคดของบุรุชนไปได้ใช่ไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้มันจะได้รู้สึกว่าโอ้เนี่ยทิฏฐิกรรมทั้งหลายที่มันต่ําชาเลวซามอยู่เบื้องหน้า ต่อให้เราไปขนาดไหนก็ไปเถอไปได้แค่บุรุษชนเท่านั้นแหละเพราะมันถอนไม่ได้ทนถอนไม่ได้และก็นับเข้าในโลกิยภูมิก็เหมือนกับโลกียบุคคลทั่วๆไปนี่แหละก้อนหินหอกเหลาที่บุคคลผู้มีกำลังซัดขึ้นไปบนอ า, ากาศมันก็ตกลงมาข้างล่างได้อีกแม้ชั้นใดสัตว์ทั้งหลายมีท้าหมาพรหมเป็นต้นยันนูนแหละเนวสัญญานะสัญญาญตนพรหมนั่นแหละ ก็มีโอกาสในการจะตกลงมาสู่อบายภูมิอีกได้ฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นสัตว์ที่ชื่อว่าหยาบช้าเร็วซามนี่นะก็เพราะการพรั่งพร้อมด้วยกรรมที่หยาบช้าเร็วซามทีนี้ความเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในไหนเขาเรียกว่าการหาภูมิกันหาภู ม, ภมิจึงชื่อว่าผู้นั้นเป็นการหาชาติกันหาชาติเพราะความเป็นผู้ตั้งอยู่ในอันดภานภูมิอะ อันดพานภูมิก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีชื่อว่าอันดาพานกัรหาภูมิหรืออันดภูมิคืออะไรการหาภูมิและอันดาพานภูมิก็คือบาปปฏิที่เนี่ก็คือบาปปฏิทินี่แหละบาปประธรรมที่หรือบาปกรรมดังกล่าวถามว่าทําไมนะมหาภูมิจริงยังชื่อว่าเป็นกัรหาภูมิและทําไมจึงชื่อว่าอันดอันดพานภูมิเพราะเขายังมีสักยทิฐิเพราะเขายังมีอัตตาทิฏฐิ เพราะเขายังมีความสําคัญผิดว่าเราว่าของเราใช่ไหมว่าเราเป็นพรมเราเป็นรูปประพรมเราเป็นรูประพรมไอ้ตรงเนี้ถึงเชื่อว่าเป็นกันหาภูมิและเป็นอันดาพันธ์ทำไมต้องเป็นอันดพรนธ์พาลาธรรมมาองธรรมได้แก่อะไรถามว่าอากุศลยังนอนเนื่องอยู่ในกระแสใจก็ไหม นั่นแหละอกุศลยังนอนเนื่องอยู่ในกระแสใจเขาถึงบอกว่าเป็นพลังเมล็ดพันธุ์ของอัตตาเต็มตัวเลยเหมือนว่าเคยมีหนังสือบางเล่มที่เขาใช้คําว่าเมล็ดของโพธิใช่ไหมโพธิก็คือเมล็ดพันธุ์ของโพธิก็หมายความว่าย่อนเมล็ดพันธุ์ของโพธิลงสู่กระแสใจอย่างใดอย่างหนึ่งสาวก่าโพธิปเจกับโพธิหรือสัมมากโพธิใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรามีเมล็ดพันธุ์ของอัตตาอัตตาที่เทียว เห็นไหมมันไม่ต่างกันตรงนั้นก็คือว่าเป็นอัตตทิฏฐิเป็นพืชที่เป็นมูลรากของบาปปทิฏฐิหรือบาปกรรมอคุศลกรรมทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากอัตตทิฏฐิมาจากสักยทิฏฐิทั้งหมดเลยเอาทีลองไล่ดูทีปานาติบาตอิณนาทานกาเมีสุมิชฌาจานมุสาวาติณนาเห็นไหมปิสุนาวาจาพุรุสวาจาสัมภพราปะอัพิชฌาพยาบาทมิชฌาทิฏฐิเห็นไหมมิชฌาทิฏฐิมิชฌาสังฆปามิชฌาวาจามิชฌากัมมันตา มิฉาอาชีวะมิฉาวายมะมิฉาสติมิฉาสมาธิกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอากุศลกรรมอันลามมกทั้งหลายเนี่ยมันมีอัตติถินี่แหละเป็นพืชเป็นมูลรากของบาปประธรรมของบาปฏิถีเหล่านั้นฉะนั้นสักกายทิถิและบาปกรรมทั้งหมดเมื่อมีอัตติถิแล้วเนี่ยบาปฏิถีบาปกรรมทั้งหลายก็จึงเกิดขึ้น เมื่อบาปปฏิทีปบาปกรรมทั้งหลายกเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอบายสัตว์ในอบายาภูมิสัตว์ในการหาภูมิสัตว์ที่มูดบอดก็เกิดขึ้นเพราะความดับหายไปแห่งสักกยทิฐิและอัตตาทิถิอัศเดียวกันนะสักยะทิถีกับอัตตาทิถีเนี่ยบาปธรรมหรือบาปปฏิทีทั้งหลายเนี่ยก็จะสงบลงได้ถ้าละถอนได้เนี่ยนะทีนี้เมื่อทิฐิทั้งหลายเนี่ยนะอัตตาทิถิเป็นต้นสงบลงแล้วเนี่ยความ เี่ในเรื่องของการหาชาติการหาภูมิทั้งหลายต่างๆนี้ก็ดับลงก็ดับลงลงด้วยทีนี้สัตว์โลกเนี่ยนะถ้ายังไม่สามารถที่จะละอัตตาทิฐิหรือสักยทิฐิได้บาปทิฏฐิเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในกระแสของขันธ์ธาตุอายตนะของสัตว์ทั้งหลายและสัตว์เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากผลของบาปทิฏฐิเป็นต้นได้และในที่สุดจริงๆก็ ได้ประพฤติสืบสาวไว้ในสังสารวัตอันหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้ใช่ไหมกรรมต่างๆที่เราเคยกระทํามาเพราะมิจฉาทิฏฐิต่างๆนี้ดังที่ได้กล่าวถึงแนีน้บางคราวเราไปอยู่ในภาะวะขพรมในที่สุดจริงเราก็ลงมาสู่อบายภูมิเนี่ยตราบใดที่เรายังละอัตทิฏฐิไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากบากปรกรรมทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่บอกว่าบางคราวเนี่ย ถามว่ามิจฉาทิฏฐิที่ตนเคยยึดถือที่ประพฤติแบบสิ่งที่น่ากลัวและเคยกระทามาแล้วก็คือกรรมชั่วต่างๆเนี่ยเขบอกว่าหนึ่งมาตุคาาเคยทํามาแล้วปีตุคาาเคยทํามาแล้วใช่ไหมอรหันต์ตค่าเคยทํามาแล้วใช่ รรใช่อนันตเรยกรรมเนี่ยเคยทำมาแล้วแต่เรายังไม่เป็นนิยตาวิชาทิฏฐิเท่านั้นแหละจะได้เห็นโทษของสังสารวัฏน่ามาไม่ค่อยอยากพูดทำนี้เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวจะจริงๆเนี่ยไปนค้นหลักฐานลรวจะชัดกรรมที่เราไม่เคยทำคือมักคะกรรมใช่ไหมมักคะกรรม แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรายังไม่เป็นก็คือเนื้อตาเนื้ตามิจฉาทิฏฐิหนักกว่านันตะรียกรรมคนลุกไม่ยอมเราเคยทำกรรมอย่างนี้มาหน้าหน่าสยดสยองจริงจริงอยู่กรรม ฉะนั้นถึงบอกว่านี่ไงอัตถิทิในนี่ไงสักยตทิฐินี่ไงโทษทยมวัดวังแหงใช่ไหมถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราจะได้รู้จักว่าคือคือถ้าพูดในวงการนักศึกษาได้ถ้าพูดออกไปมากกว่านี้แล้วเสียงเสียงเสียงสะท้อนกับมามเยอะๆนี่นเกีดจะอธิบายาถ้าเรารู้ตรงนี้เราจะได้ จะได้รู้ว่ามันขนาดนั้นยิงดีฉนันอย่าแปลกใจว่าทำไมใจเราบางครั้งมันมันไม่น้อมออกเลยเข้าใจไหมเอางี้ว่าเราเคยกโกรธพระไหมก็สั ญ, ญลักษณ์ของพระอรหันเรายังกล้ากโกรธไอมาฝากให้คิดแค่นี้ก็สั ญ, ญลักษณ์ของพระอรหันเรายังกล้ากโกรธเนะี่ยเข้าใจไหม เอาดูดูช้างพระโพธิสัตว์ท่านเห็นสันทงของป้าละหันติดใช่ไหมติดของไานพรานท่านยังไม่กล้าเลยเป็นสัตว์เดรัจฉ์เราอะ่ะบางกีเคยโกรธผ้าไม่ตามจริงก็เคยไม่ยอ ม, มนั่นแหละบองบอกว่าเชื้อมันยังมีอยู่อยองเชื้อมันยังมีอยู่จริงควรสังวรระวังเป็นจริงๆ บางที่อ่มาก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะคาบางคํานี้ที่อ่านมาก็เอาพูดซะเลยถือว่าเป็นการเตือนซึ่งกันและกันเตือนอัตมาด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเราทำกรรมหน้าสลดนะในสังสารวัตรที่ผ่านมาแล้วกรรมประเภทนั้นก็ยังไม่เข็ดไม่ลาบก็ยังพลยังตะบี้ตะบันที่จะไปทํากันอยู่เนี้ยท่านอาจาบอกว่าสัญลักษณ์ ของที่เป็นธงชัยของพระอรหานทั้งหลายหน่ถึงแม้ว่าท่านผูดด้ใดเอาไปหม่มท่านจะปฏิบัติผิดปฏิบัติพลาดเนี่ยอันนั้นเป็นกรรมของท่านเนี่ยเป็นกรรมของท่านท่านก็เต็มที่ท่านแล้วใช่ไหมท่านก็เต็มที่ท่านแล้วก็เหมือนเราท่านทั้งหลายนีม่มันก็คือถ้าเป็นปุถุชนก็คือกันหาัชาติ ถ้าเป็นบูชนก็อยู่ในการหาภูมิสถานะก็คือท่านเราทงชัยของพระริยะมาใช้แต่เราต้องเกรงใจพระริยะท่านเกรงใจพระพุทธเจ้าว่านี่เป็นทงชัยของพระริยาจะคมุมคนบาปรกรรมคนดีสามมาทิฏอะไรต่างก็แยกให้เป็นและให้ควรปฏิบัติให้เป็นต่อสิ่งนั้นนั้นเราจะพูดจะกล่าวจะกระทำต่อสิ่งนั้นก็ควรสงวนระวัง ว่าจะทํายังไงไม่ให้เรานั้นน่ะเศร้าหมองหรือต้องต้องเสียหายเข้าใจใช่ไหมต้องเสียหายมองเห็นนะ ม, มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราเนี่ยามาจะใช้ตลอดว่าเราเคยเป็นและเราจะเป็นสิ่งที่เราเห็นแต่ถ้าเราถอดมิจฉาทิฏฐิออกได้เสี้ยวันไหนเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราจะโล่ง เราจะโล่งเราจะคล่องเราจะปลอดโปร่งใช่ไหถ้ายังถอดไม่ได้เนี่ยมันก็มันมันก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้ทั้งหลายพบว่าในกรณีที่การทำกรรมชั่วมีมาดูคาดเป็นต้นตามที่ตนเคยทำมาเนะี่ยแม้ในชาติปัจจุบันก็เหมือนกันนะ สัตว์ทั้งหลายมักจะยึดถือประพฤติแล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิที่ตนเคยทํามาแล้วในอดีตทั้งนั้นเราจะแกะยังไงเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือที่เรามาเรียนสติปัฏฐานสูตรก็ดีมาเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยเป้าหมายอยู่เป้าหมายเดียวว่าเราจะละความเห็นผิดได้อย่างไรเบื้องต้นเนี่ยนะแล้วก็จะไม่ให้ความมิจนผิดนะั้นมันครอบงําได้อย่างไรเนี่ยตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าหมายมันชัด ใช่ไหมใช่ถ้าตรงนี้มันไม่ชัดเลยเนี่ยเราก็จะผิดพลาดอีกมันผิดพลาดมาแล้วมหาพรมดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยอยู่พรมที่สูงสุดก็ยังมีอัตตาทิฏฐิเนี่ยสักยยะทิฐิเนี่ยเพราะความอะไรเพราะความที่ตนมีอายุยืนใช่ไหมในหลักสูตรในคําสอนต่างๆที่เราศึกษากันมาเนี่ยก็สําคัญผิดว่าเราเที่ยงไม่มียานที่จะเห็นที่สุด แห่งการที่ตนจะตุติจุติอย่างพรหมโลกคือไม่เห็นจุติไม่เห็นปฏิสนธิเนก็เลยมีความเห็นผิดว่าเรานั้นเป็นผู้มีความสุขหรือสวยสุขแบบนี้ลันดอนเราสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้ได้ตามความปรารถนาเป็นผู้รู้จริงอย่างที่ได้กล่าวก็ไม่ต้องอะไรหรอกขนาดเราคิดอะไรแล้วเนี่ยไอ้นั้นมันเกิดตามใจเราคิดเรายังไปสำคัญผิดว่าจิตเราเที่ยงเน มันขนาดนั้นนะก็ไอความเห็นอย่างนี้มันเคยฝังแน่นมาอย่างยาวนานแล้วามาเคยแต่ก่อนเนี่ยเคยคิ ด, คดว่าเออพอเราคิดแต่นั้นก็ได้อยู่เรื่อยเลยคิดอะไรก็ได้อยู่เรื่อยเลยถูกไหมก็เลยตูวสึกออื <c oughs> มันเหมือนจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นอะไรมีของดีอะไรในใจเคยเป็นไหมล่ะเอางี้เวลาจะไปบินทบาทเนี่ยเขาก็ตั้งความรู้สึกว่าสมัยก่อนไปเรียน ที่เรียนเริ่มเรียนบาลีกันอันมาเรียนบาลีแบบคนไม่ค่อยรู้บาลีเนี่ยเนี่ยไปเรียนก็เขาบอกให้ท่องคาถาของพระศิวลีเยอะไหมคือเกิดมาไปไ ป, ไปเจอพระรูปหนึ่งใช่ไหมไปเจอพระอยู่รูปหนึ่งท่านบินตบาตเอ๊ะท่านได้เยอะอามาไม่ค่อยได้ก็ถามเอ๊ะท่านอาจารย์เนี่ยทำไมท่านบินตบาดได้เยอะจังท่านบอกโอ๊ย ท่านเอาคาถาพระศิวลีไปท่องที่มาก็บอกว่าอ๋อมันจะได้มีอาหารฉันกับเขา้ังเราเนี้ยตัง่งแต่แม่ทานมาเลยมั้งมาก็เลยท่องไอลาปีนอโมตโมเซเนศิวลีศิวตโตโสระปติยาติมีสตาโสถิกงกโรโดเมมาตุลาบังกโรโดเมกท่องบิวูิไปเนี่ยพอท่องกมากันนึกในใจเอ๊ะเอ๊ะไม่ได้อีกเลยถามท่านอ่ะอุ้ยท่านวางใจยังไงเร <laughs> าก็วางใจขอให้ได้ขอให้ได้ <c oughs> บอกอยท่านวางใจที่ก็งั้นท่า น, านเอาทําไงล่ะเขาบอกว่าหนึ่งขอชื่นชมบรารมีขอบุญบุญของท่านพระสิวลีหน่อยอยากจะเห็นคุณของท่านอาขอขอคุณของท่านปรากฏในในในเจ้ักรวาลหรือดาวเทวนเข้าไปเจ้าด้วยก็หมายความว่าให้ได้สัมผัสผลบุญนั้นเศษน้อยนิดของท่านเนี่ยที่ท่านทํำมาในท่องบรมเพนคาถาอย่างนี้ไปแล้วเราว่าเด้อ โอไไ้ได้ยิงเ <c oughs> นะอย่างเงี้ยนะมาโอ้แปลกดีแต่ไม่ได้ทุกวันนะแต่เหมือนบังเ อ, อิญนุ๊มแต่ว่าจริงๆก็คือว่าไอ้เงี้ไงคือต้องการจะให้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยคิดอะไรแล้วมันได้เนี่ยถ้าเป็นเหตุก็เหมือนพรมเนี่ยพอคิดแล้วเกิดคิดแล้วเกิดท่านก็เลยสําคัญตัวเองทีฉะนั้นนี่คือมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เป็นสมาธิที่อะไรหรอกใช่ไหม ถ้ามหาผมก็เป็นจะเป็นแล้วมันออกไปได้แล้วในสื่อจริงๆไอความเห็นในลักษณะอย่างนี้นี่แหละมันก็เลยกลายมีผู้วิเศษเยองที่ไม่ต้องมียานอย่างรู้อะไรแล้ด้วยความสําคัญนี่แหละมันก็เยอะแยะหมดใช่ไหมในสังสารวัตรไม่ใช่แค่เราคนเดียวเท่านั้นเทพ ย, ยดาอารักษ์ก็เยอะแยะใช่ไหมที่ท่านนี้ยังมีความต้องการอะไรเยอะ บางทีเราก็ไปอยู่ในขอบข่ายของตำหนักของท่านขึ้นมาก็อีกก็ยุ่งอีกแล้วก็ตัวเป็นผู้ที่ถูกถูกใช้ให้กระทําสิ่งที่ต่างๆต่างๆเราเนี้ยนะก็เลยไม่เป็นไปกันในเรื่องของความดีทั้งละ่ะไม่มียานเห็นที่สุดนะนะและมีความเห็นผิดว่าเราเป็นผู้ไดเ้เสวยนี่รันดอนเราสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ในส่วนจริงก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นพระเจ้าโลกนี้อยู่ในอํานาจของเราก็ไปเลยแต่นี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาแล้ว ทีนี้ในบรรดาท่ามหาพรหมเนี่ยนะต่อมาก็ไปแสดงตรนิทท่ามกลางของพรหมอบริสั์ชาและก็พรหมอโรอิตาดังที่เราศึกษากันมาเนี่ยภายหลังก็เลยกลายเป็นอิสระนิ ม, มานวาธีบุคคลไปเลยก็หมายความว่าเป็นว่าตนเองเป็นผู้สร้างและบุคคลที่ตนเองไป เ, เกิดที่หลังตนเองก็สําคัญว่าท่านคนนี้เป็นผู้สร้าง แล้วต่อมาท่านผู้นี้มาตายมาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์พอทํายานวิสมาบาตัติต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้พอระลึกได้ก็ไปเห็นระลึกเห็นท่านผู้นี้ยแม้ที่ยังอายุยืนยาวเลือเกินก็สําคัญว่าเออเรานี่เกิดจากผู้สร้างเป็นต้นนั้นสัตว์พวกยังล้าอัตตาทิฏฐิไม่ได้เนี่ยแม้มหมาพรมก็ถูกสมมุติว่าเป็นพระเจ้าเองก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากกรรมคือบ่าวปฏิทิเป็นต้นเหล่านี้นะทั้งๆที่ทททตนที่เคยทํามาในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะ ดังที่ได้กล่าวในที่สุดจริงก็เวียนว่ายในที่สุดก็เกี่ยกับขนาดสําคัญตนว่าเป็นผู้สร้างบางคราวก็หลุดมาจากนั่นแหละภาวะกระพุ่มมหาพรหมก็ลงเอเวจีได้เหมือนกันนะลงอบกยภูมิได้เหมือนกันนี่เป็นอย่างเงี้ยย่อมเป็นกายเป็นการหาชาติฉะนั้นบุคคลที่เป็นการหาภูมิเหมือนปลาและเต่าอยู่ในถ้ำ ม, มหาสมุทรเนี่ย ก็เป็นอันตรภานชนผู้ตั้งอยู่ในอันธรภานภูมิเพราะความที่ตนยังไม่มีปัญญาจักสุขในการที่แทงตลอดทุกใช่ไหมลาสมุทรไทยทํานี้โรดให้แจ้งแล้วก็อบรมมริยามรักเนี่ยในสุดจริงๆตัวเองก็จะกลายเป็นการหาชาติการภูมิหนึ่งที่ได้กล่าวนั้นสัตว์ในไบโอพูมิเนี่ยพะอกุศลกรรมเนี่ยนะให้ผลก็ไปเกิดในไบโอพูมิและบางทีก็ถ้ากุศลให้ผลนานๆทีนะก็สามารถออกจากไบโอพูมิได้ ในส่วนจริงมาเป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็ขึ้นไปถึงหมหาพร้อมอยู่เนี้ยนะก็ ส, สูงสูงต่ำต่ำตำอย่างนี้นี่แหละอย่างนี้แหละ เ, เรียวกว่าไม่น่าไว้วางใจเย็นใจได้เลยในสังสารวัตนี้อ้ถามว่าถ้ามันเหตุต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเรายัางน่าจะน่าไว้ใจได้ไหมเบาใจได้ไหมสบายใจได้ไหมเป็นอิสระไหมตอนเนี้ยไม่เป็นอิสระหรอกแค่ไม่ใช่ผู้ที่สามารถละอัติทิฏฐิ หรือศักยอาทิถีที่เป็นมูลลากของบาปปฏิฐิทั้งหลายได้เนะบาปรกรรมเป็นต้นที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็จะดับโดยไม่เหลืออันนั้นแล้วเขาจะหลุดพ้นจากบาปปฏิฐิได้แล้วแล้วก็จะหลุดพ้นจากอบายภูมิได้และในที่สุดจริงๆย่อมได้เสวยผลกุศลกรรมในอดีตอนาคตและปัจจุบันถามบอกว่าทําไมจึงได้รับเฉพาะผลของกุศลกรรม อันนี้หมายถึงที่ประเภทหนักๆนะทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะความดับลงแห่งสักยทิฏฐิเพราะความดับลงแห่งอัตตาทิฏฐินี่นะมีพร้อมไม่มีช่องทางที่จะไปสู่ใบภูมิและภูมิที่ต่ำสามได้อีกเห็นไหมว่าถ้าหากว่าเราสามารถถอนสักยทิฏฐิได้อัตตาทิฏฐิได้จากกระแสของขันธะไดยเตนะ อกุศลกรรมทั้งหลายที่หนักๆทั้งหลายที่จะนําปฏิสนธิในใ บ, บยภูมินั้นถูกถอดสลักหมดเลยนี่มันอยู่ที่ตัวเนี้ยนี่เราถอดตัวนี้ไม่ได้บาปอากุศลธรรมทั้งหลายนะี่มันมันก็มีโอกาสที่จะให้ผลอย่างแน่นอนเห็นไหมแต่ว่าจะเมื่อไหรอย่างไรเนะี่ยมีโอกาสมากการดับลงไม่มีเหลือของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายดังเอศักยะทิฏฐิเนี่ยเป็นการปิดช่องทางในการเจริญสู่ใบยภูมิและภูมิต่ํา เลยเรียกบอกว่าสัพปาทิเสสานิพันธ์เห็นไมเป็นหรือเรียกว่าโลกุตระอวัฏาภูมิภูมิโลกุตระอวัฏฐานภูมิเห็นไหมที่เราเรียนกันมาเนี่จะเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นโลกิยชนไม่ได้เป็นโคตรปุถุชนอีกแล้วเป็นอริยโคตรเห็นไหมเป็นอริยบุคคลเลยเนี่ยเข้าถึงในอริยภูมิตอนนี้เราอยู่ได้แค่โลกิยะภูมิเห่นไหมแล้วก็เป็น เป็นเป็นแค่ปุรุชนเป็นเป็นปุรชนภูมิแค่นั้นเองไม่สามารถที่จะเข้าสู่อริยภูมิหรืออริยบุคคลเป็นต้นได้ตรงนี้ที่เรียกว่าถ้าบุคคลที่ถอดสลักกล่าวคือบาปอาทิตถีอัตติถิเป็นต้นเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าได้สาอุปาทิเสสนิพานหรือโลกุตระอวะัฏถะอวัถภูมิเนี่ยนะไม่ได้เป็นโลกยัญชนแล้วต่อไปอย่างนี้ก็เรียกเป็นอริยชนแล้ว ฉะนั้นการดับลงไม่เหลือของมิจฉาทิฏฐิคือสักยะทิฏฐิก็หลุดพ้นจากอบายชาติไม่ว่าจะเรียกว่าการหาชาติก็ดีอบายชาติก็ดีหินาชาติก็ดีเนี่ยก็ไม่มีใช่ไหมย่อมไม่มีความเสื่อมเป็นที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีความแก่ไม่มีความตายไม่มีกําลังใดที่จะยิ่งไปกว่าการดับไม่เหลือการหลุดพ้นจากมิจฉาทิฏฐิดังดังที่ปรับฉะั้นดากเราบอกว่าการได้อมาตธาต ก็คือพระนิพพานเนี่ยนะเป็นการดับอัตถธิธิแล้วก็หลุดพ้นได้จริงจริงยังไงนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คติของพระโสดาบันทั้งหลายผู้ที่ละอัตถธิธิได้เนี่ยนะยอมก้าวล่วงเขาเรียกก้าวล่วงพุทุชนชาติเนี่ยเป็นอริยบุคคลตั้งอยู่ในอริยภูมิเป็นโลกุตระชนผู้ตั้งอยู่ในโลกุตระภูมินี่ยก็ถือปฏิสนธิในกามภูมิได้ได้ได้เพียงเจ็ดครั้ง เฉพาะสวดาบันที่ปฏิสิณที่ในพรหมภูมินั้นไม่มีการนับประมาณนะนั้นถ้าสวัสดาบันที่ปฏิสิณที่ในกลามภูมิเนี่ยไม่เกินเจ็ดไม่เกินเจ็ดแต่คําว่าไม่เกินเจ็ดนั้นก็นับแค่กามภูมินะไม่ใช่นับในพรหมภูมิเพราะในพรหมภูมินั้นไม่มีการกําหนดจะเป็นอุทังคาเินีบุคคลผู้มีคติที่สูงขึ้นไปเป็นปกติ ก็ย่อมเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตตลอดร้อยชาติพันชาติร้อยกับนี่นะอันนั้นเป็นเรื่องของท่านใช่ไหมเพราะว่าท่านผ่านพ้นไปจากการมอล้ใช่ไหมเป็นในด้านของย่อมได้เสวยผลกุศลกรรมที่ทําในอดีตอนาคตและปัจจุบันในสุขติพุนเขาก็ย่อมทําแต่กรรมดีเนะี่ยไม่ทําทุจริตกรรมก็เกิดเขาบอกว่าคนที่ถอดสักยัตทิฏฐิอัตติทิฏฐิออกจากกรมละสันดานนี่นะเขาบอกว่า ทษจริตกรรมเนะี่ยไม่เกิดขนาดฝันยังไม่ฝันเราเคยฝันทำกรามชั่วหนักนะคนที่เขาถอดสักยะทิถีอัตตาทิถีออกมาแล้วเนี่ยโนะทษจริตกรรมทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าสู่กระแสความฝันกันแล้วโอ้สบายขนาดนั้นเนะ่น่าชื่นใจไหมล่ะ อย่างเรานี่ทีไม่ระวังตอนนอนใช่ไหมยังฝันไม่ดีไหมสะดุ้งอยู่เลอยใช่ไหมเนี่ยนั้นถ้าถอดตัวนี้ออกได้เราจะไม่นอนสะดุ้งไม่นอนผวาอีกแล้วตรงนี้นะอัตตาทิฏฐิของเขาเหลืออยู่เล็กน้อยนี่ถือว่าเหลืออยู่เล็กน้อยมากแม้ในความฝันก็ไม่มีอัตตาทิฏฐิขเขาก็เหลือเนะ่ะบุคคลผู้ที่ละอัตตาทิฏฐินี่นะย่อมรับผลกรรมดี ในอดีตและปัจจุบันเป็นผู้พร่งพร้อมด้วยกำลัที่จะนําไปสู่สุคติแล้วก็ไปสุคติอย่างแน่นอนนี่เป็นไปในลักษณะนี้เพราะอะไรเพราะเขาสามารถเห็นอริยสัจด้วยปัญญาจากสูตรตามพระบรมศาสดาที่สอนไวจ้จนต้นนะ น, นะสมัยที่พระผู้มีพระเจ้าเราทั้งหลายยังทรงพระชนอยู่เนี่ยนะพระโสดาบันที่เป็นอาคาริกะผู้คลองเรือนนะที่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติต่างๆมีจํานวนไม่สามารถจะกําหนดนับได้ ไม่ว่าจะในเมืองสาวัตถีพารณสีเวสารีราชคลีเป็นต้นหรอเนี้ยพระโสดาบันที่เป็นเช่นกับ อ, าอานางวิสาขาเป็นต้นหรอเนี้ยนะสนังกุมารพรหมเนี่ยท่านเป็นบ้านอาคาใช่ไหมไปจากพระโสดาบันนี่นะไม่มีการกล่าวนับจํานวนพรารยาบุคคลเนีย น, นะคือนับไม่ได้พระโสดาบันที่เกิดขึ้นในสมัยที่พระบรมศาสด า, สดายัางทรงพระชนอยู่เนี่ย ถามว่าบัตนี้ยังปรากฏเต็มไปหมดในสวรรค์นั่งหกชั้นในสวรรค์นั่งหกชั้นงั้นภาษาโสดาบันเนี่ยมีปกติไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นไปไม่กลับมาสู่ภูมิที่ต่ำํำนั้นเทวดาชั้นจาตุหลหมาราชิกาลในหมื่นจักรวาลที่เป็นชาติเขตเนะี่ยได้เป็นพระโสดาบันน่ยนับไม่ได้อยู่ในชาติเขตของพระเจ้าเป็นพระโสดาบันน่ยนับไม่ได้ แม้ในเทวดาที่ชั้นเดาดึงที่สูงสูงขึ้นไปก็เช่นเดียวกันนะแนไในใไพร ม, มโลกก็มีอีกมากมายฉะนั้นพระโสดาบันต่างๆเหล่าเนี้เป็นผู้มีปกตินะจะไม่ตกลงมาสู่เบื้องต่ำํำ น, นี่เป็นการการพิจารณาดูคติของพระโสดาบันอันนี้เราก็จะได้มองว่าจริงๆน่าชื่นใจโดยซ้ําไปใช่ไหมท่านเหล่านั้นท่านมีเต็มไปหมดเนะ่ยอยู่ในสวรรค์ทั้งหกชั้น อันนั้นพูดตามคำสอนนะไม่ไปชูดว่าเออไปเห็นไม่ใช่พูดตามคําสอนคํานวณตามคำสอนในี่ระไตรปิฎกใช่ไหมไปบอกว่าเอา๊ะทําไมไปพูดอย่างนี้อันนี้พูดตามพระธรรมคําสอนใช่ไหมก็คุกค้ายญาตบุคคลเนะี่ยแค่สาวัถีอย่างเดียวตั้งห้าโกดเอาแค่ okay, นี้เราก็เห็นแล้วในชาติเคศเนะนี่ยในต้องตั้งจักรวาลในชาติในชาติเคตของพระเจ้า ได้บรรลุเยอะแยะกันหมดมีแต่เรานี่แหละไม่ได้บรรลุนี่จะมาตรงเนี้ยแต่วากน้าเราก็ต้องเอาให้ได้ใช่ไหมในสังสาอลวัฏอันหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้เนี่ยนะสัตว์ผู้มีสักยัติทิฏฐิอัตติทิฏฐิอยู่เนี่ยก็ เ, เวียนว่ายตายเกิดไปมาอยู่ตลอดถ้าเขาสามารถละได้นะรักสักยัติทิฏฐิได้ เขาก็จักได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติภูมิที่สะอาดหมดจดแล้วในส่วนจริงก็หลุดพ้นจากเวรภัยทั้งปวงได้ในนึ ง, นงถามบอกว่าทำไมสักยะทิฐิจึงเป็นประธานของมิจฉาทิถีทั้งหลายจึงเป็นมูลรากหรือเป็นมูลพืชอย่งทิถีทั้งหลายท่านบอกว่าอัตาทิถีเนี่ย น, นะ ยังเป็นมูลพืชเพื่อความสงบแห่งบาปปฏิถีเป็นต้นนะี่ท่านบอกว่าพระราชาผู้หนึ่งเพราว่าลุ่มหลงมัวเมาในราชสมบัติลุ่มหลงมากเขายกตัวอย่างยกโอมาเนี่ยแล้วต่อมาก็คือได้ทําบาปรกรรมต่างๆเพื่อที่จะรักษาราชสมบัติของตนให้ตั้งอยู่ได้นานทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะรักษาเนี่ยนะทีนี้ในสมัยอื่นสมัยต่อมาเนี่ยนะพระองค์เมื่อเห็นโทษ ต่อมาพิจารณาก็เห็นโทษของราชสมบัติก็ย่อมไม่มัวเมาไหยก็มีจิตสะดุง้งเห็นโทษแล้วตัวนี้ยเห็นโทษของราชสมบัติแล้วก็ทิ้งราชบัลลังก์ทิ้งราชสมบัติก็บำเพ็ญเนกธรรมก็คือไปอยู่ตามป่าเขาเป็นผู้มีฉันทายอย่างมั่นคงในการประพฤติประพฤติธรรมในนี้เป็นผู้วางเฉยไม่ทํากรรมชั่วตํชาช้าต่างๆเหมือนเดิมอีกในตอนนั้นพระองค์ไม่ประพฤติ กรรมชั่วใช่ไหมต่อมาอีกแต่เนี้ยก็บวชเป็นฤาษีแล้วก็สําคัญผิดเลยแตเนี้ยใช่ไหมคือบาปรกรรมต่างๆแบบหยาบๆนั้นไม่ทําแล้วต่อมาทีทีพอไปเข้าป่าแล้วเนี่ยไปสําคัญว่ารูปประขันรูปประขันที่อยู่เนี่ยในกราชกายเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นผมขนเล็บปันเป็นต้นเนี่ยเออเป็นอัตตาเป็นอัตตาเป็นสาระขึ้นใหม่แล้วใช่ไหมเป็นอัตตาเป็นสาระขึ้นใหม่แล้ว แล้วก็ยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบอกว่าเป็นอัตตาเป็นสาระหวงแหนรักไข่อัตตาหรือขันห่าว่าเป็นอัตตาเป็นสาระอยู่จึงทํากรรมชั่วต่างๆเพื่อจะรักษาขันนั้นถามเมื่อเป็นเช่นเนี้ยชื่อว่ายังไม่ได้ละทิ้งบาปกรรมอยู่ตลอดการเพียงเท่านั้นนะทั้งๆที่หลีกเล้นแล้วเนี่ยนะก็ยังชื่อว่ายังไม่ยังไม่ไม่ไมไมทิ้งกรรมชั่วต่างๆเพราะห่วงแหนอัตตานี่หวงแหนอัตตา ต่อมาในการอื่นอีกพระราชานี้นั่นเน่ยก็ออกบวชเป็นฤาษีตามป่าดังที่ได้กล่าวต่อมาเห็นโทษเห็นอาทีนะวะเห็นโทษของขันห้าก็ไม่ยึดมั่นขันห้าว่าเป็นอัตตาเป็นสาระก็ไม่รักใครไม่ห่วงแหนขันห้าแล้วเป็นผู้วางเฉยไม่ทํากรรมต่างๆที่เป็นกรรมชั่วเฝ้ารักษาอัตตาของตนกลับเป็นผู้รักษาอัตาทําแต่กรรมดีกรรมที่ประเสริฐถามว่าตรงเนี้ย ตนเองยังเห็นด้วยความเป็นอัตตาอยู่แต่ก็มาทํากุศลกรรมที่ปราณี่ขึ้นมาเนี่ยนะในที่จจริงๆเลยนะก็เป็นผู้ไม่ละทิ้งกรรมดีกับเป็นผู้ไม่หวั่นไหวอาถานในการทํากรรมดีอุปมานี้ก็บอกอัตตาทิฏฐิเชื่อปินมูลลากแห่งความสงบเห็นไหมเข้าถึงความสงบแม้ก็มีสักกายทิฏฐินั่นแหละเป็นปัจจัยแก่การที่ทําให้ตนเองได้ความสง บ, บนั้นความสงบแห่งอัตตาทิฏฐิเป็นเหตุแห่งความสงบของบาปปฏิทิฐิเป็นต้น อันนี้ความสงบแห่งบาปปฏิฐีปที่อยู่ในธรรมอื่นๆนะเป็นมูลล้างความสงบเป็นต้นดังที่ได้กล่าวเนี่ยอี น, นี้เราก็จะเห็นว่าทั้งๆ ท, ท, ที่บอกว่าสละบางอย่างเข้ามาบางอย่างถ้ายังมายึดโดยความเป็นอัตตาตัวตนก็อีกมันก็ออกจากมิจฉาที่ถีไม่ได้เพียงแต่สงบบาปแบบหยาบๆมาตามลําดับแค่นั้นเองเนี่ยโดยมากคนโดยทั่วๆไปนี่นะเวลาเข้ามาสงบระงับกันอะไรต่างๆอะไรเนี้ยมันเป็นเพียงแค่สงบอย่างเนี้ย แต่ความสําคัญว่าตนเองเนี่ยมันได้มันถึงมันเข้าใจอะไรต่างลัวเนี้ยโทษจริงๆก็คือถอนในสลักอัตตาตรงเนี่ยคําว่าอัตตาเนี่ยมันแปลว่าตัวตนกันเลยใช่ไหมแปลว่าตนเนี่ยอัตตาศัพท์เนี่ยอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตนเนี่ยคําว่าตนในที่นี้มาจากภาษาบาลีมาจากอะไรอัตตาศัพท์หรือกายะศัพท์เนี่ยเดียวกันนะตนในที่แปลไปจากคําว่ากายะเนี่ยเป็นคํำหมายเดียวกันทีนี้ ที่จริงขันถศัพท์เนี่ยนะก็มันเป็นปรมัตธรรมใช่ไหมเป็นรูปเวทนาสัญญาสังการวิญยาณเนี่ยเนี่ยย่ยอมใช้ในหลายเช่นคําว่ากายยะปัสสธิแล้วหูตาเป็นต้นก็ว่าไปรูปากายนามากายเป็นต้นเหล่าเนี้ยตนที่แปลว่าอัตตานั้นเป็นคําที่เกิดมาจากมิจฉาทิฏฐิทีนี้ถ้าเราไปจําว่าเป็นตนก็เป็นมิจฉาสัญญาก็ไล่ไปสิมันจะเกิดร่วมกันละเกิดร่วมกับเวทนาได้ไหม เกิดร่วมกับวิตกบ้างได้วิจารณปีติอาทิโมกวิริยาปีติฉันท่านเนี่ยนะมันแล้วแต่เกิดจากร่วมอะไรไอตัวอัตาเนี่ยอัตามันก็ไปสิงตัวนั้นแล้วก็เพี้ยนก็เพี้ยนเป็นอัตตาเพี้ยนบ้างจำใช่ไหมสวยอารมณ์ก็มีอัตตาเป็นผู้สวยการจําอารมณ์ก็เป็นผู้อัตตาเป็นผู้จําเป็นต้นวิธีศึกษามิจฉาทิฐิเนี่ยศึกษาตัวที่เขาประกอ บ, กบอะไรเขารับอารมณ์อะไรทําที่เกิดร่วมกักบเขาอย่างไรไอธรรมที่เกิดร่วมกันกับเขาเนี่ยก็พลอยเห็นผิดไปตามเขาด้วย มอออกไหมคุณหมอวิธีคิดวิจัยเข้าใจเจาะ อ, อัถาของอัตตาเนี่ยต้องเจาะเข้าไปตัวนั้นแล้วเราจะได้เห็นเขาว่าเขาเกิดร่วมกับสัญญาใช่ไหมก็เป็นมิจฉาสัญญาเอาทีเกิดร่วมกับวิตตกกับมิจฉาวิตกนะเอาทีเกิดร่วมกับวิจาร์เป็นมิจฉาวิจารก็ใชมไหมก็วิธีคิดเนี่ยคิดไปอย่างนี้เราจะเข้าใจเขามากขึ้นถ้าเราไม่เจาะไปตามลําดับอย่างนี้เราจะไม่เห็นหรอกว่าว่ า, ว, าว่าเขารุนแรงแปลว่าเหมือนเมื่อกี้โยม ถ้าดามาบอกอะไรมาใช่ไหมบอกว่าเป็นล็อบบี้เข้าใจไหมเป็ล็อบบี้ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยหมายความว่าล็อบบี้ในกลุ่มในในมหาลัยใช่ไหมล็อบบี้หัวหน้าคณะอะไรงี้สมมุติงี้นะอันนี้เหมือนกันมิชชาทิฏฐิมันล็อบบี้หมดแล้วมันล็อบบี้ใช่ไหมผัสสะเวทนาสัญญาเจตนายกกระตาชีวิตติณสีมาลสิการถามว่ามิชฉ่าทิฏฐิไปล็อบบี้ไปหมดไว้เนี่ยเออไปดึงไปทั่วไหมดแล้ว เข้าใจใช่ไหมวิธีคิดนี่ยคิด อ, อย่างนี้มันจะเข้าใจคาว่าวิชาทิฏฐิั้ น, นสรุปแล้วเห็นว่าถ้าเราจำเนี่ยถ้ามีวิชาทิฏฐิจำ ม, มันก็มีชาสัญญาเลยอย่างนี้เป็นต้นมันจะมันจะได้เห็นโอ้มันมันร้ายอย่างนี้มันร้ายอย่างนี้เราอย่าไปคิดว่าสิ่งนอกตัวเราร้าย ไม่ใช่เราเลยมิจฉาทิถีนี่แม่พูดมันพู ด, พดจะจเอาเราออกอยู่เนี่ยมาทาให้ธรรมางงอยู่เลยอ็ย้อนมาพูดไปพูดมาเออเราเป็นพูกรู้กันมาไปอยู่แล้วเนี้ยใช่ไหมงั้นเขาเขาทํากิจของเขาอย่างนี้เขาเกิดร่วมอะไรต่างๆเนี้ยนั้ น, น, นบุคคลไม่น่าลังเกียจใช่ไหมไอตัวมิจฉาทิถีเนี่ยนั่น ถ้าเราจะตําหนิคนเนี่ยอย่าไปตําหนิบุคคลตําหนิไม่ดีให้ตําหนิอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในกระแสขันธะาตายตนาของเขานั่นแหละใช่ไหมตําหนิมันถูกและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขันธะาตายตนาของเราเนี่ยมันไม่ได้ดีมันไม่ได้บริสุทธิ์อะไรเลยใช่ไหมถามว่าการดูหมิ่นบุคคลอื่นจะมีอะไรเล่านอกจากการไม่พ้นทุกข์ไม่มีอะไรหรอกฮะ ไอการไอการหมิน่นบุคคลอื่นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกก็คือบ่องบอกว่าเรายังไม่ได้พ้นจากอะไรเลยนั่นแหละและสิ่งที่เราไปหมิ่นนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะไปเป็นอีกไอตรงนี้มันน่ากลัวคือตรงนี้มันเป็นกรรมใช่ไหมสมัยก่อนอันมาเนี่ยพ่อแม่บอกว่าไม่ห้ามนะหนึ่งไปเจอคนพิการไปเจอคนที่เขาด้อยไปเจอคนที่เขาต่างๆแหล่งๆอย่าไปดูหมิ่นเขาเดี๋ยวลูกจะเป็นอย่า ง, งานั้นพอมีลูกแล้วก็กลัว เออผู้ใหญ่ก็เข้าใจสอนนะเขบอกว่า เ, ออเดี๋ยวลูกจะเป็นอย่างนั้นก็ว่เช่นไปเห็นคนเขาพิการตรงไหนก็จะไปหมินเขาเห็นคนโง่ก็จะไปดูหมิ่นเขาอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไปไปมาจะกรรมนั้ น, น, นมันจะตกถึงเราอย่างนั้นเลยไ อ, อ้จริงๆก็คือตรงนั้นแท้ที่จริงถ้าหากว่าเราสืบค้นจากอดีตมาคือว่าท่านสอนให้คิดว่าเรายังไม่พ้นแล้วเราจะต้องไปเป็นนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยท่านในส่อวนระวังคือตรงนั้น ฉะนั้นในพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ารูปังอนาตาเวทนานตาเป็นต้นใช่ไหมเพราว่าตนที่แปลจากคําว่าอนาตาจึงเป็นคําที่เกิดจากมิจฉาทิถิมิจฉาสัญญาเป็นต้นนั่นที่กล่าวความสําคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นคําที่ทําให้สัตว์นั้นเข้าใจผิดในเรื่องของปรมัตร์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยมาสอนว่ารูปังอนาตาเวทนานตาว่าไปในคัมภีร์อภิธานเนี่ยนะกายาเนี่ยเป็นปุงริงในบทว่าโสกาเยปรมัตร์ ท่านี้เนี่ยสักว่าอัตตาในบทว่าอัตตวาทุปาทานังอัตติฐีและอนัตตาเนี่ยกกเกี่ยวกนรนิรันดร์ขนาดี้นะอันนั้นเป็นในอาการอันนั้นก็ไม่ได้แปลว่าตนนส่วนคําว่าอนัตตาเนี่ยนะโดยทั่วๆไปเนี่ยตรงนี้สําคัญนะอนัตตาเพราะอาจจะว่าหาสาระไม่ได้ไมาจากคําว่าอาศากถีนะเราเคยเรียนกันมาใช่ไหม คำคำนี้ลองมาดูศัพท์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําความเข้าใจในเรื่องการเจริญวิปัสสนาสมาธิที่ชัดเนี่ยนะนั้นสับหนึ่งมาจากคาว่าอาสารกัตเถนะแปลว่าหาสาระไม่ได้แต่ละของความงามไป็ต้นนะอีกชื่อหนึ่งอนัตตาเพราะอาจจะว่าไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นเจ้าของอันนี้มาจากคําว่าอาสามิกัตเถนะอาสามิสามีแปลว่าเป็นใหญ่นะเป็นเจ้าของใช่ไหมอันนี้แปลว่าไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมใช่ ใช้คําว่าอาสามิกัรเถนะอีกศสามหนึ่งอนัตตาเพราะาว่าไม่เป็นไปตามความต้องการอาวะสศวะตะัตนันเถนะไม่ไม่เป็นไปตามความต้องการในสามอัตตะในสามอัดเนี่ยนะในสามอัดของอนัตตาเนี่ยเนี่ยอัดแรกอาสารกตัดเถนะหาสาระไม่ได้เนียนะในโลกนี้ถามว่ากล่าวว่าสิ่งนี้เป็นสาระจํานวนมากว่าอัตตาบ้างร่างกายบ้างสัตว์ผู้ยังไม่รู้ แล้วก็ไม่เห็นความเกิดขึ้นความดับไปของนามเวลาลูปแล้วก็ปัจจัยของนามเลยลูกสัตว์เนี่ยไม่ที่ไม่เห็นความเกิดขึ้นของรูปะขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็ย่อมไม่เห็นอนิจจลักษณะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมก็สําคัญผิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปประทมนามประามเนี่ยเป็นอัตตาที่เป็นสาระของสัตว์ทั้งหลายไปเห็นไปเป็นตัวเป็นตนเลยใช่ไหม ก็สําคัญผิดว่าเวทนาเนี่ยคือผู้เวทนาเนี่ยไปสําคัญว่าเราเป็นผู้เสวยสัญญาก็หมายรู้สิ่งต่างๆใช่ไหมความหมายรู้ต่างๆว่าสัญญาก็ไปสําคัญผิดว่าเป็นเป็นเราจําแล้วก็สังขารผู้ทํากรรมต่างๆเนี่ยนะก็เป็นสําคัญว่าเราเราเป็นผู้ทักทั้งทั้งที่ตัวสังขารเป็นตัวปุงแตะไอ้วิญญาณก็รู้ต่างๆก็สําคัญว่าเป็น เรารู้เนี่ยเป็นอัตตาเป็นสาระของสัตว์ทั้งหลายย่อมสําคัญสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าอย่างนี้เขาเรียกอัตตาทิฏฐิคือสําคัญว่าเป็นสักกายทิฏฐิเป็นอัตตานั่นเองทีนี้ถ้าอุปมาในคําสอนในชั้นของดีกาหลังๆเนี่ยหรือในที่ทั่วๆไปท่านจะอุปมาเหมือนภาชนะหรือโลกเนี้ยมีภาชนะต่างๆเช่นนะบอกว่าท่าในโลกใบนี้ก่อนนะ ก็มีภาชนะดินภาชนะไม้ภาชนะเหล็กภาชนะทองแดงภาชนะเงินหรือภาชนะทองไอภาชนะที่ทำด้วยเนื้อไม้แท้ๆน่ะว่าเป็นว่าเป็นภาชนะไม้ใช่ไหมเรียกภาชนะที่ทำด้วยดินแท้ๆว่าภาชนะดินภาชนะที่ทำด้วยด้วยเหล็กด้วยทองแดงด้วยเงินด้วยทองแท้ๆว่าภาชนะเหล็กภาชนะทองแดงภาชนะเงินหรือภาชนะทองก็เรียกกันอย่างนั้นสรุปก็คือว่าจักเรียก สิ่งที่มีรูปร่างสันฐานหรือภาชนะที่ทำด้วยไม้เป็นต้นภาชนะไม้ย่อมไม่สามารถจะเรียกท่อนไม้ที่ยังไม่ได้ทำให้เป็นภาชนะอะไรว่าเป็นภาชนะไม้ใช่ไมที่ยัไม่ได้เรียกอย่างนั้นคือไม่สามารถที่จะเรียกภาชนะดินเหล็กทองแดงเงินที่ยังไม่ได้ทำอะไรว่าเป็นภาชนะเหล็กดินเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเรียกเฉพาะคำว่าภาชนะก็ไม่สามารถจะรู้ถึงไม้ใช่ไห ถ้าเรียกว่าภาชนะเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ถึงไม้ถึงดินถึงเหล็กถึงทองแดงถึงเงินถึงทองที่เป็นเนื้อแท้ของผาชนะนั้นๆได้เช่นเดียวกันถ้าเรียกคําว่าไม้เนี่ยไม้ในต้นไม้เนี่ยเรียกว่ไม้เนี่ยไม้เป็นต้นก็ก็ไม่สามารถจะรู้ถึงส่วนทรงสันฐานของผาชนะไม้ท่านบอกว่าเออไม้เนี่ยไอความเข้าใจหรือพยัญชนะตัวเนี้ยไม่สามารถจะทําให้เราอย่างไปถึงตัวผาชนะที่เป็นไม้ได้ เพราะว่าเป็นคําที่ไม่ระบุลงไปใช่ไหมเพราะเหตุไรไม้ก็ดีดินทองแดงเป็นต้นหรือทองเป็นต้นอะไรนี้จึงเป็นวัตถุเนื้อแท้อันเป็นสาระของภาชนะในภาชนะไม้นี่นะไม้เป็นเนื้อแท้เป็นอัตราของภาชนะที่มีรูปร่างสันฐานต่างๆใช่ไหมเว้นจากไม้แล้วก็ไม่สําเร็จเป็นภาชนะได้ไม้ที่ตั้งอยู่ในสวดทรงสันฐานของภาชนะต่างๆเท่านั้นจึงจะเรียกว่าภาชนะ ทีนี้จริ่งจะเรียกภาชนะไม้ได้ทีนี้ค่างานใดที่ได้ยังคงทนอยู่เนะถ้าว่างานยังคนภาชนะไม้ก็ยังคงทนอยู่ภาชนะนั้นไม้นั้นอ่ะย่อมมีราคาไปตามเนื้อไม้นั้นเช่นถ้าเป็นภาชนะไม้สักราคาก็สมควรกก่ไม้สักถ้าเป็นไม้จันหอมก็ราคาก็สมควรกก่ไม้จันหอมใช่ไหมถ้าเป็นภาชนะไม้แกนจันท์ไม้อะไรต่างๆก็สมควรแก่ราคานั้นนั้น นำไปใช้ได้ตามสมควรแก่เนื้อไม้ถ้าเป็นภาชนะไม้สักก็เหมาะสําหรับในการใช้ไม้สักในภาชนะดังกล่าวดังที่ได้กล่าวเนี่ยย่อมเป็นตัวเนื้อแม้นุแท้ของภาชนะไม้เป็นต้นแม้ภาชนะดินภาชนะทองภาชนะเงินหรือทองก็ให้ทราบตามในลักษณะแบบนี้ทีนี้อุปมาอย่างไงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสําเร็จมาจากรูปรลประขันนะรลประขันแม้อุปมาเหมือนกับเหมือนกับอุปมามภาชนะไม้เนี่ย รูปประคันนั่นแหละเป็นเนื้อตัวและย่อมเรียกว่ารูปประคันที่เป็นเนื้อตัวเองบอกว่าเป็นสัตว์คือเราเนี่ยเป็นสำคัญว่าตัวรูปประคันเนี่ยเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็สําเร็จมาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไ้ยเป็นต้นเป็นเนื้อตัวแล้วก็ย่อมเรียกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมปต้วที่ที่เป็นเนื้อตัวว่าเป็นสัตว์เห็นไหมว่าแท้ที่จริงก็คือว่าตัวรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยใช่ไหม ทั้งๆ ท, ที่เป็นเนื้อแท้ของปสภาวะของบุรุษธรรมะเป็นเนื้อแท้ของรูปนามเนี่ยแต่สัตว์ทั้งหลายก็ไปสําคัญเนื้อแท้ก็คือรูปเวทนาทัญยานิสการวิญญาณว่าเป็นเป็นสัตว์นะเหมือนกับภาชนะเนี่ยทั้งๆเนื้อแท้ของเขาคือมันไม้ใช่ไหมเราไปสําคัญว่าเป็นภาชนะว่าเป็นถ้วยเป็นกระเบื้องเป็นอาจารย์เป็นอะไรต่างๆเหล่าเนี chicken, lim ้ยคือเราเราไม่เข้าถึงเนื้อแท้ของเขา เนื้อแท้ของความเป็นรูปเวทนาตัญยาสังขารอย่างนี้พดอย่างนี้เขาจะยากไหมเนี่ยยากไหมไก่ยมหมดเวลาเล็งได้ไหมตอันียากไหมไม่ยากเนาะเป็นห่วงคนบางคนนั่งหลับเล่มีมันไม่มีเนาะนั่งจอดกันไม่มีหลับเยอมนั่งมึนๆมาหนึ่งไม่มึนเอยนอนได้กว่ามึน ลองเบิกเบกหน่อยดีไม่ต้องกันนะก็คือธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังคนยังยังคงทนอยู่ได้ไม่สุดโสมคือคลั่งฆ่าเสื่อมสลายพังสลายไปตราบใดก็อหมายความว่าจริงๆมันเกิดดับสืบต่อชื่อว่าไม่พังสลายคือมันยังไม่ตายไปตราบใดเนี่ยก็สัตว์ทั้งหลายก็ยังตั้งอยู่ได้ตราบนั้นใช่ไหมความเป็นสัตว์บุคคลเนี่ยมันตั้งอยู่ได้ก็เพราะความสื่อต่อกันของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังไม่สลายไปเจอพบนี้อย่างนั้นเถอะ เห็นไหมว่าจริงๆความเป็นสัตว์น่ยมันไม่มีอยู่จริงมันเหมือนกับคําว่าภาชนะไม้ใช่ไหมที่มาใช้เป็นจานเป็นถ้วยเป็นกระเบื้องเป็นอะไรต่างๆแบบนี้ด้วยแหละที่มันทํามาจากเนื้อของอะไรมันทํามาจากไม้สักไม้จันท์หอมมันทําจากเงินทําจากทองทํามาจากทองแดงเป็นตัวเหล่าเนี้ยแต่ไม้แต่ว่าสาระของเขาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ภาชนะอันนี้เหมือนกันไม่ใช่สตัตว์ ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายแต่โดยเนื้อแท้ของเขามันคือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่สัตว์นั้นไปจับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเป็นภาชนะด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปแล้วเข้าใจไหมมันเป็นแบบนี้เราไปสําคัญผิดไปแล้วทีนี้สัตว์ทั้งหลายก็จะตั้งอยู่ได้ตราบนั้นย่อมสามารถจะตั้งอยู่ได้ตลอดสิบปีบ้างร้อยปีบ้าง สิบปียี่สิบปีสาสิบปีร้อยปีเนี่ยสัตว์ทั้งหลายย่อมเห็นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเนื้อแท้ของสิ่งทั้งปวงที่ถึงความแก่เสื่อมสลายตลอดเวลาว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยไอความเห็นเช่นเนี้ยเขาเรียกว่าอัตตานุทิฏฐิเขาเรียกสักยทิฏฐิเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้ ทีนี้การรู้โดยสามัญในบุคคลใดย่อมรู้เนื้อแท้ของภาชนะไม้เป็นต้นนะ่ะนะแต่เขาไม่สามารถจะรู้รูปกราบคือปัทวียาโปเตโชวายโสสีกินรถโอชาธาตุเนี่ยในตัวเนื้อไม้นั้นบุคคลนั้นชื่อว่ารู้จักภาชนะไม้เพียงสามัญธรรมดาเท่านั้นใช่ไหมเอาถ้าเรารู้นะเนี่ยเนี่ยเพราะเนี่ยไม้เนี่ยมาทําเป็นกรอบรูปเนี่ย ห่อหุ้มพระผู้พระลูกของพระพุทธเจ้าเนีเรารู้ได้แค่ไม้แต่เราไม่เคยเจาะเข้าไปถึงว่ามีดินน้ำไฟลมสีกิ่นรสโอชาธาตุเนี่ยเขาเรียกความรู้นั้นเขาเรียกสามมันนั่นแหละเป็นความรู้ธรรมดาเหมือนเราเห็นหนังสือเนี่ยเราก็เห็นด้วยความเป็นหนังสือเนี่ยแต่เราไม่เคยเห็นเอาวินิโพคารป คือดินน้ำไฟลมสีกิรลดโอชาธาตุในเนี้ยไม่เคยเข้าใจเนี่ยความรู้อย่างนี้ก็เป็นสามัญโดยทั่วๆไปเราเห็นแก้วเนี่ยนะเราก็ไม่เห็นดินน้ำไฟลมสีกิรลดโอชาธาตุหรอกอย่างนี้เขาเรียกความรู้สามัญธรรมดาทั่วๆไปความรู้สามัญธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยอัตตาทิฏฐิสักยติมันก็จับเห็นไหมแล้วมันก็เป็นกันอย่างนี้แหละจริงไม่จริงมันก็ออกไม่ได้มันก็เข้าใจกันแบบผิวเผินก็อยู่อย่างนี้แหละ มันเลยก็เลยสื่อกันไม่ได้เลยตอเนี้ยสื่อกันไม่ถึงสักทีในคําสอนของพระบรมศ า, ศาสดาลึกเนี่ยนะแต่เราก็มารู้แบบผิวเผินกันอยู่อย่างนี้แนหะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะไปพูดในหมู่วงกว้างได้ไหมก็พูดยากอีกใช่ไม่ใช่ใชก็ตรงนี้เวลาเรียนก็เวลาศึกษาพระธรรมก็ศึกษาเจาะให้ถึงเจาะให้ถึงถึงบอกว่าตอนนี้เราต้องคํานวณอายุให้ชัดไงที่บอก คำนวณเลว่าวางเป้าหมายให้ชัดเพราะมันจะจากโลกนี้ไปแล้วจากเขาจากไปแบบสมาทิฏฐิให้ชัดย่าอย่าสเปซสะปะแล้วตรงนี้ต้องตั้งหลักตั้งทงให้เป็นใช่ไหมถ้างั้นก็จะเจาะ ก, กันไม่ทันนะคครับ ก, ก, ก็จะเรียบร้อยเลยอืมอามาเคยบอกหลายคนนะมาไม่ได้เบี่ยงห้ามเรื่องการศึกษาแต่ศึกษาให้มันสอดคล้องกับการเจาะสภาวะจิตใาไปให้เป็นไปเพื่อความขัดเกลา ให้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนดให้เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกต้องรีบเร่งเดินเสียงเวลาหายใจในโลกนี้เหลือน้อยแค่นั้นแหละฝากให้คิดน้อยมากเดี๋ยวเราเข้าใจไม่ทันไปก็เข้าใจใช่ไหมเข้าใจให้ได้ทีนี้บุคคลใดสามารถ ล, ลึกลงไปละ่ะสามารถที่ไปรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่แค่ทองนะ แล้วไม่ใช่ไปสามารถรู้ลงไปถึงดินน้ําไปรวมสีกิ่นรสโอชาธาตุของสิ่งต่างๆที่นะ่ะในเนื้อไม้สามารถรู้เข้าไปในเนื้อของภาชนะต่างๆเหล่านี้ไดย้ย่อมรู้จักชาลาธาตุช า, ชาลาธาตุมรณะธาตุของรูปรูปเหล่านี้มีชาลาธาตุนะมีมีสภาพที่ชาลาอยู่นะมีมรณะธาตุนะมีสภาวะแห่งความดับความสูญสลายไปนะ ใช่ไหมของรูปกราบทั้งแปดสภาวะที่แข็งกักคาร์บอนธที่มีอยู่ในไม้นั้นน่ะเรียกว่าปฏิกิริาธาตุใช่ไหมที่อยู่ในหนังสือเป็นต้นเนี่ยอยู่เนี่ยสภาวะที่แข็งเราเรียกว่าปฏิกิริาธาตุไม่ใช่ไม้ไม่ใช่เหล็กใช่ไหมมันเป็นลักษณะของปฏิกิริาธาตุสภาวะที่เกาะกลุมกันได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่า อาพันธะลักษณะมีอยู่ในเนื้อไม้ใช่ไหมมีอยู่ในมือเนื้อกระเบื้องนี่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไม้ไม่ใช่กระเบื้องสภาวะที่เกาะกลุมก็เรียกอโปทาอย่างเงี้ยก็เข้าไปเจาะอย่างเงี้ยถ้าหากอยู่ในไม้ก็ไม่ใช่ไม้มันเกาะกลุมเนี่ยไม่ใช่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม้สภาวะที่เย็นและร้อนใช่ไหม สภาวพที่เย็นและร้อนที่อยู่ในเนื้อไม้หรืออยู่เนื้อภาชนะต่างๆเหล่านั้นน่ะอันนั้นเครียกว่าเตโชธาต์ไม่ใช่ไม้สภาพที่ค้ำคําำอะไรเขาเรียกค้าชูและตึงไหวเนี่ยนะที่อยู่ในเนื้อไม้นั้นน่ะสภาพที่ค้าชูและตึงไหวนั้นเขาเรียกว่ายโยธาต์ไม่ใช่ไม้สีของไม้เรียกว่าวันธาต์กลิ่นของไม้เรียกว่าคันธาต์รสของไม้เรียกว่ารสธาต์ใช่ไหมยางของน้ํามันของไม้เป็นต้นเรียกโอชาธาต์ การรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้สภาวะใช่ไหมแล้วก็ไปเจาะแบบเนี้ยเขาเรียกรู้แบบสภาวะไม่ไม่ใช่รู้ผิ ว, ผวเผินใช่ไหมแต่อย่างเงี้นะเขาไปเจาะ อ, อย่างนี้ก็จะเข้าไปรู้สภาวะของนี่ไม้มีไห ม, ไ ม, มเอาแหละแต่เนี้ยเราจะเริ่มเห็นแล้วโดยสามมันที่เรียกกันคือไม้โดยสามมันเรียกกันว่าช่วยใช่ไหม แต่แท้ที่จริงก็มีสภาวะที่แข็งที่เรียกว่าปฏวีธาตุใช่ไหสภาวะที่เย็นร้อนเรียกว่าเตโชธาตุสภาวะที่เกาะกลุมกันอยู่เรียกว่าอาโปธาตุสภาวะที่คัม่มชูก็คือวายโยธาต์ใช่ไมสภาวะสีสีของภาชนะนี้เรียกวันนาธากลิ่นของภาชนะนี้เรียกคันธาธาใช่ไหมโอชาที่อยู่ในนี้เป็นโชาธาต ยังไหมอันนี้อันนี้ไม่ใช่ช่วยแล้วแต่เขาเรียกว่ารู้จักทั้งสามมันแล้วเจาะไปถึงสภาวะเด็ดีแล้วก็ไม่ลุ่มหลงเงี้ยไม่มลุ่มหลงอย่างนี้อันนี้ต้องคิดไหมต้องวิจัยไหมอ่ะต้องวิจัยเขาวิจัยอย่างนี้ทีนี้การการศึกษาคําสอนพระเจ้าต้องต้องเป็นไปเพื่อการเข้าไปเจาะวิจัยอย่างนี้ มันถึงจะเป็นไปเพื่อการถ่ายถอนนะเป็นไปเพื่อการถ่ายถอดปัทวีธาเป็นต้นที่อยู่ในเนื้อไม้ที่กระทบถูกต้องเย็นบ้างร้อนบ้างถูกเจาะถูกทุ่มถูกขีดสีไปมา ก, ก็กิ่ของช่างไม้ที่กระทำเนี่ยนะสําเร็จเป็นภาชนะใดาภาชนะหนึ่งขึ้นมาเนะี่ยก็ถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเนานะธาตุบางธาตุก็คาำฆ่าไปเพราะชราธาตุบางธาตุก็ย่อมผูพังไปเพราะมรณะธาตุ ใธาตุบางธาตุก็เกิดขึ้นใหม่เพราะชาติธาตุใช่ไหมก็ปัจจัยเนี่การเกิดธาตุบางธาตุก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกๆขนาดอย่างเนี้ยการรู้สภาวะนี่การรู้นะรู้ตามที่พระบรมศาสดาบอกอย่างเนี้ยยกยัดชิ้นเป็นอันในเขาเรียกทําลายคณะสัญญาในมูลเดิมที่ตั้งที่แท้อันเป็นสาระของทุกสิ่งทุกอย่างดัการไปทําลายการไปทําให้เกิดความเข้าใจอย่างเนี้ย รูปกราบเกิดขึ้นแล้วกระดับไปทุกๆขนาดเนี่ความเป็นเนื้อไม้จักอยู่ที่ไหนการรู้อย่างนี้เรียกว่าการเห็นการแทงตลอดการเข้าใจตามความเป็นจริงของสภาวะนั้นๆนั้นในคําว่าสัตว์หรือในคําว่าภาชนะมีสภาพเหมือนกันนะกายสัญทานของสัตว์และก็สัญทานของไม้ย่อมมีสภาพเหมือนกันกับรูปเนอะรื่องประคานที่อยู่ในกายสัญทานของสัตว์และก็รูปก ร, ราบที่อยู่ในสัญทานของไม้ย่อมมีสภาพเหมือนกันก็หมายความบอกว่า เนี่ยสันฐานของสัตว์การสันฐานของไม้สันฐานของภาชนะก็คือสันฐานทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่การเข้ารู้แค่สันฐานมันพอัั้นการเจาะเข้าไปรู้ในเรื่องของสภาวะที่แท้จริงของในสันฐานนั้นๆของของในไม้ก็ดีในภาชนะก็ดีในในคนและสัตว์ใช่ไหมเขาบอกสันฐานของสัตว์ทั้งหลายก็คือเป็นที่กาะกลุ่มกันของบรรดารูปกราบทั้งหลายการไปเข้าใจในลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายถอน อัตถิธีหรือสักกายธิธีได้บางครั้งบางคราวที่เข้าไปเจาะเข้าไปรู้เข้าไปวิจัยเข้าไปวิจารณานี่แหละแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ไปวิจัยในขนาดไหนมันก็ยังไม่สามารถจะถอนความเห็นที่มันไม่ตรงได้เข้าใจไห้เล็กๆตาเข้าใจยังเข้าใจนะแตอนนี้ตอนนี้ไม่บิดเบียนะบเบ้ยวแล้วนะไม่บิดเบี้ยวแล้วนะเนี่ยประเด็นตรงเนี้ยนะก็ ก็ทำความกระจ่าทีนี้นามะธรรมาไม่มีสันฐานใช่ไหมถ้ารูปะธรรมมีสันฐานมีใช่ไหมเอาแหละตัวเนี้ยที่นา ม, มาะธรรมแหละยังจะพูดแรงเล็กไปกว่านี้ถ้านามะธรรมาเนี่ยนะไม่มีสันฐานเมื่ออารมณ์มากระทบหนะ้าที่หนึ่งที่ใดในกายเป็นต้นเนี่ยนะหลังจากกระทบไปแล้วเนี่ยนามะขันระวังเป็นต้นเนี่ยนะ ก็เกิดขึ้นและดับไปในฮะทายวัตถุพอวางหลังจากเกิดขึ้นดั้งอยู่ดับไปเป็นต้นเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอีกหลังจากได้กระทบอารมณ์ใหม่เป็นต้นเหล่านี้ยนะทีนี้อันนั้นก็ว่าไปตามดับของวิถีทีนี้กายสันฐานแล้วก็สันตติเดี๋ยวดูตรงนี้มันนะบอกว่ากายสันฐานก็คือสิ่งที่ถูกเรียกว่ามือเอายาอกเอายท้องขาทั้มือเท้าเป็นต้นะนะน้ำอากาศเนี่ไม่มีรูปร่างใช่ไหมแต่มีลำดับของอย่างสันตติ ลำดับแห่งการเห็นชื่อว่าทัศนสันตติใช so ่ไหมจ๊ะถ้าลำดับแห่งการเห็นเนี่ยก็มีการสืบต่อกันทางจักรุทวารและวิถีเนี่ยก็เรียกทัศนสันตติก็ไหลลื่นลงจืนลงเสือลงมโนทวารเลยใช่ไหมเรียกทัศนสันตติแล้วก็ไหลลงไปทีแต่เนี้ยในขณะที่เห็นแต่ละครั้งเนี่ยถ้าในลำดับแห่งการฟังเขาเรียกว่าสวัสดสันตติก็การสืบต่อพอฟังปุ๊บเนี่ยมันไม่อยู่แค่นั้นหรอก หลังจากจบจากการฟังเบสเสร็จแล้วมันก็มีการฟังต่อเนื่องมาตามลําดับแล้วกัการสื่อต่อกันเป็นไปตามลําดับแล้วก็จะไหลลงสู่ทางมโนทวารมิตรมันจะไหลยอยู่อย่างเงี้ยสัตว์จะไม่เข้าใจสันตติอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าในลําดับแห่งการลิ้มรส <c oughs> เขาเรียกว่าสายนาสันตติในลําดับแห่งการถูกต้องก็เรียกพุทธนาสันตติในลําดับแห่งการคิดชื่ว่าจินตะนาสันตติถามบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทัศนาสันตติ สภาณสันตติใช่ไหมสายนาสันตติผุดนาสันตติไหมเกี่ยวในเรื่องของจินตนาสันตติเป็นต้นเน่ยทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายและทวารใจมันจะมีระบบของสันตติของนามาทมทั้งหลายเกิดขึ้นสืบต่อเป็นไปตามลำดับไอ้ลำดับเป็นการสืบต่อกันอย่างนี้เราก็เรียกว่าสันตติเขาเรียกสันตติคือการสืบต่อ นามธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานใช่ไหมส่วนกายะสันฐานเนี่ยเพราะเป็นรูปที่หยาบเขาก็มีลักษณะเห็นการสืบต่อเหมือนกันแต่านามธรรมเนี่ยมีการสืบต่อทางจากขุทวานโซตัวันคานาวา น, น, าวานชิวหาตวานกายะทวนันละมณโฑทวารทางมณโฑทวานก็มีจินตนาสันติก็คือการสืบต่อกันในเรื่องการคิดกันไปเรื่อยๆอยู่ยนะนี่มันจะมีระบบการสืบต่อเป็นไปตามลาดับตลอดเวลาเลย ทีนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้มันจะมองเห็นมันจะเป็นไปรักอะอย่างนี้ใช่ไหมรักหน่ว่าในตามพระธรรมคำสอนของพระบรม ศ, ศาสดาแล้วก็เวลาเราศึกษากันเนี่ยเราศึกษากันเป็นช่วงๆขึ้นวิถีกันบนกระดาน <c ười> ใช่ <c ười> ไ, ไชหมก็ว่าไปอันใดปัจจัยเท่าไหร่วาวางทีเนี่มันนั่งคิดอยู่เนี้ย ทีนี้ไม่มีองค์รวมในการที่จะประมวลว่าจริงๆระดับแห่งการสืบต่อกันในด้านของสวภาสัน ต, ตนะิมันไหลลื่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะต้องต้องต้องบอกให้เกิดความเข้าใจด้วยใช่ไหมมนุษย์ในยุคนี้ว่ามันจะมีการระบบไหลยอยู่ตลอดเวลาลงประวังขึ้นวิถีแรงต่างเหล่านี้ยระบบสัน ต, ติมันก็จะเป็นไปแบบเนี้มันจะผ่านทางสภาวณส ต, ติหรือว่าเกี่ยวในในเรื่องของทัศน์ สันตติหรือสาวนาสันตติคายนาสันติหรือสายยนาสันตติหรือผุสนาสันติหรือจินตนาสันตติมันจะผ่านทางทวารตาหูจมูกเล่นกายใจต่างๆก็แล้วแต่มันก็จะไหลอยู่งมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะไม่แล้วแต่มันจะเชื่อมโยงอะไรถ้าเชื่อมโยงจากตาก็เรียกว่าทัศนธสันตติ เชือ่อมโยจากทวารหูก็เรียกว่าสาวนาสัน ต, ติเป็นต้นนี้ก็ไล่ไปถ้าหากว่าไม่ได้ผ่านทั้งๆตาหูจมูกเล่นกายก็เรียกว่าจินตาณสันตติการสืบต่อทั้งด้านความคิดไหลไปตามลาดับจริงไหมจิงมันเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยระบบอย่างเนี้ยเขาเรียกระบบของสันตติคือการสืบต่อสัตว์ทั้งหลายก็ก็เลยเลยไม่เห็นความขาดตอนจะไปเห็นได้ยังไงยังไหมเพราะความละเอียดอ่อน ก, การหนีลงรวังเรืนะ่องนั้นนี่ขึ้นวิถีแล้วนะใช่ไม่ใช่ ช่วงนี้ตกรวังลงไปแล้วช่วงนี้ขึ้นวิถีนะสัตว์ทั้งหลายแม้หยาบหยบยังไม่เข้าใจเลยนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มีควา ม, มการฟังการศึกษาการค่อยควรการพิจารณาที่ดีเท่านั้นถึงจะเริ่มเริ่มมองเห็นแบบประเภทประเภทที่ว่าหยาบหยาบแล้วก็จะเริ่มเกิดความเข้าใจว่าสภาวะของนามธรรมเนะี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ที่นี่ในะการการสืบต่อเป็นไปตามลำดับเหล่านี้นี่แหละถามว่าอัตตทิฐิสักยะทิฐินั้นนะ่ะ โดยส่วนใหญ่สัตว์โลกยังไม่เคยละเลยความสําคัญว่าเป็นเป็นตนเองเนี่ยนะเป็นผู้คิดตนเองเป็นผู้ฟังได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสต่างๆอย่เนี้ยมันก็แทรกอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นยาดําอยู่ตลอดเวลาว่าะงั้นจะความคิดของสัตว์ทั้งหลายจึงจึ ง, จ, งจึงไม่บริสุทธิ์เลยจึงเข้าใจไม่ถูกกันอยู่ตลอดเวลาเลยเข้าใจใช่ไหมมันก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ระบบวงจรการคิดมันก็จะเป็นไว้แบบนี้ย วันนี้พูดต้องหยุดหยุดพูดต้องหยุดหยุดย่อมหนักไปไหมไม่หนักเนาะ mm hmm. ก็พูดแบบทาแบบแบบประมวลหนึ่งนะประมวล mm hmm. ถือว่าเราเรียนไปแล้วก็มามาม า, มาประมวลในการสนทนากนะันจะได้เกิดความเข้าใจถ้ามีใครแทรกจะถามอะไรไหมเวลาเหลือเหลือ ลำดับแรกก็คือให้เข้าใจให้เกิดความเข้าใจอย่างนี้ตามพระธรรมอย่างนี้ไอ้ความเข้าใจนั่นแหละจะขายจะถ่ายจะถอนใช่ไหมความเข้าใจนั่นแหละจะเป็นปัจจัยการขายละขายละถ่ายถอนคือถ้าเราไปเข้าใจว่าเราคิดเราฟังเราได้ยินเราเลื่อเ ล, เ ล, เ ล, เลกินเบเสร็จเนี่ยความเข้าใจว่าเป็นอ่าทัศนสันติอ่ะสภาวสันติมัยังไม่มีเราต้องให้เห็นว่าอ๋อมันสืบต่อมาจากการฟังนะ สืบต่อมอีการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสและสืบต่อจากการคิดนะไอการสืบต่อต่างๆเหล่า น, นี้เป็นนามธรรมเป็นพวกคิดนะความสัมพันวัตศาสาตร์ทั้งหลายไปเข้าใจเป็นเราคิดเราฟังเราได้ยินเราได้กลิ่นลิ้มรสต่างๆเหล่า น, นี้ยมันสําคัญผิดกันอย่างมาอย่างยาวนานแล้วนะแต่พอรวมมศาสาตร์สดาแต่หงนี้ลำดับแรกฟังให้เข้าใจพอเข้าใจเป็เสร็จแล้วต่อไปตัวนี้จะเวิจัยได้เป็นเข้าใจยังนี่มันไม่เคยผ่านกระบวนการวิจัยกันอย่างนี้สักทีเลยอ่ะเนี่ย จริงค่ะอาจายกี้ารบอกว่าสัตว์ทั้งหลายจริงไม่ไม่เคยเห็นว่ามันมีการสัมพนต่อแต่ีมันต่อเรื่อยๆคือไม่ใช่สัตว์ทั้งหลายเป็นสำคัญว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่เป็นสำคัญว่าเป็นเราเป็นสันตินั่นเอง เขาใช้คําว่าเป็นสันฐานเป็นสันตติกายะสันฐานแล้วก็เป็นเกี่ยวในเรื่องของสันตติในด้านของนามธรรมทีนี้ความสําคัญสันฐานแห่งกายนีผู้ใดเห็นเพียงสันฐานแห่งกายและสันตติแห่งสิ่งต่างๆได้แต่ไม่รู้ถึงรูปธรรมนามธรรมรูปธาตุนามธาตุที่เป็นวัตถุเดิมเป็นเนื้อเดิมเนแท้ของกายะสันฐานและนามสันฐาน และไม่สามารถจะแทงตลอดไป ถ, ถึงถึงชราธาตุมรณะธาตุของนามะธรรมลุบะธรรมนี้ <Okay. S 1> ที่มันคือไม่สามารถเข้าใจไม่สามารถว่าสัตว์เนี้ยที่แก่และตายอยู่ทุกๆขณะนี่นะไม่เข้าใจไม่เข้าใจชราธาตุมรณะธาตุเอางั้นดีกว่าไม่เข้าใจชราธาตุมรณะธาตุ เกิการแก่และการตายทุกทุขณะผู้นั้นสําคัญผิดว่ารูปแล้วก็นามต่างๆเหล่านี้สัญญาณเหล่า น, นี้เป็นอัตตาของสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวตนของเราทารั้งหลายก็คือว่าเราไม่เข้าใจความเป็นไปของอการสืบต่อของรู ป, ปากายแล้วก็นามมาทําทั้งหลายี่ที่นี่ความไม่เข้าใจเนี่ยแหละเราก็เลยไปเห็นเพียงว่า บางทีนะการรู้เพียงเห็นสันฐานของกายแล้วก็สันตติต่างๆได้นะคือเราเห็นว่าเออเนี่ยเราเรียนเรียนต่างๆเนี่เราก็เนี่ยนะเราฟังฟังมาเนี่ยอ๋อเป็นรูปเป็นนามเนี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยไปไปเข้าใจจริงๆเลยว่ามีมีชราธาานมรณะท่านใช่ไหมใช่ไห ม, มไม่ไปเข้าใจตรงนั้นเลยเนี่ยแล้วก็ลำดับแรก ต้องให้เข้าใจตามความเป็นจริงก่อนนะถึงแม้เราเจาะไม่ได้หรอกโดยทุกทุกขนาดเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่สารพยพใาๆแต่ให้เข้าใจให้เข้าใจนะให้เข้าใจตามความเป็นจริงเขาก่อนว่าชราธาตมราธาตมีทุกทุกขนาดของความคิดมันแก่แล้วมันตายมันตลอดไอ้าธาตเหล่าเนี้ยคือขันาธาตอายตนาเราเนี่ยนะคือาธาตนั่นเองความเป็นไปของรู ป, ปราธาตนามาธาตเนี่ย มันมีชราแล้วแก่แล้วตายมันมดแล้วนะอยู่ตลอดนี่ให้เข้าใจก็ได้ก็เพียงแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันมันกรณีแห่งการที่บอกว่าการไหลเวียนเดี๋ยวไม่มีชราเดี๋ยวไม่มีมดแล้วนะเขาจะใช่ไหมเดี๋ยวไปคิดว่าเป็นเป็นเป็นสายไปงั้นเนี่ยนะแต่ได้จริงก็คือมันมีการ การแก่และการตายอยู่มีการเกิดการแก่และการตายอยู่ทีนี้ถ้าเราแทงตลอดนี่นะสภาวะลักษณะของแต่ละอย่างเนี่ยนะก็แปลว่าเบื้องต้นจริงๆก็คือทําความเข้าใจว่าสภาวะที่แข็งเนะี่ยคือปฐวีธาตุเนี่ยนะเป็นต้นเหล่านี้นะเช่นจักขูวิญญาณมีการเห็นรูปอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะในรูปนามขันห้าที่เป็นวัตถุเนื้อแท้ของรูปประสานฐานแล้วก็นามมรสน ต, ติเป็นต้นเหล่านี้ย ถ้าแทงตลอดหรือมีความเข้าใจไปจนถึงชราธาตุและมรณะธาตุของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นหรือรูปน้ำได้เนี่ ย, ยว่าจริงๆโดยฐานยังความเข้าใจจริงๆเนี่ยต้องตั้งหลักให้ถูกว่ามันเกิดดับทุกขณะก่อนวิธีตั้งหลักตามขําธรรสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเกิดดับมันอย่างนี้และสภาว่ามันเป็นอย่างนี้แม้นความคิดที่โกรธมันก็ดับ ความคิดที่โลกมันก็ดับต่างๆเหล่าเนี้ยนะแต่ความเห็นว่าเกิดและดับต่างๆเราเนี้ยมันมาจากปัจจัยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไม่ใช่เรียนแค่ว่าเกิดดับเกิดดับนี่นะต้องเข้าใจนะแต่อธิบายแค่นี้ยมันจะต้องต่อไปอีกรึกเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งค่อยๆวิ่งไปเนี่ยนะเพรา ะ, ะเวลาพูดตรงนี้ทีไรเนี้ ย, ค, ยคือเวลาพูดตรงนี้ทีไรเนี่ยมันมันมากจะไปจบกันตรงเนี้อ๋อโอเคเราเห็นปัจจุบันเกิดดับเกิดดับอย่างเดียวมันเพียงพอเนี่ยแต่จริงว่าทุกอย่างอันเนี้ต้องระวัง มันจะกลายเป็นไอเหตุดุกับทิ่ฐีเออตรงเนี้ยตรงเนี้ยคาสอนพระเจ้านั้นจะจะระวังมากทั้งเกศโดยเดี๋พระองค์เนี่ยจะสอนและ้ะระมัดระวังมากว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องเห็นความต้องเห็นเหตุเกิดและเหตุดับใช่ไหมไปดูในสมุทัยสูตรท่านกำกับไว้เลยในในสังยุตตานิยเนี่ยว่าเห็นเหตุเกิดนะและเห็นเหตุหหดับก็ด้วยนะ ไม่จะไปเห็นตัวเขาเกิดเขาดับอย่างเดียวนะเหตุเกิดและเหตุดับนี่มีความน้มคัญมากเลยคือปัจจัยอ่ะทุกอย่างมาจากเหตุปัจจัยเนี่ยไม่จะมาอย่างลอยๆอนะไม่ใช่เพราะคําสอนของพระบรมศาสดาปฏิเสธอหิยด้วยที่สุเพราะสิ่งเหล่านั้นมันแม้พวกนี้ปฏิเสธเหตุนี่พระเจ้าไม่พระเจ้านั้นเน่ยตัดสรู้ตามความเป็นจริงเหตุมีใช่ไหมเหตุปัจจัยมีตรงเนี้ยงั้นแต่ว่าเวลาอธิบายเนี่ยมันอธิบายพร้อมกันได้ไง เลาที่บายเนี่ยที่บายเรื่องการเกิดดับตรงนี้ก่อนก็ต้องให้ดูก่อนพูดเรื่องผลใช่ไหมเพราะถามากล่าวเรื่องผลยี่อะไรเนี่ยบางทีก็เหมือนพยายามนั่นอยู่เลยเดี๋ยวก็คนก็ไปดีความกันเงี้ยใช่ไหม ก, ก็ต้องระมัดระวังตรงนั้นคือเราเดินตามคําสอนของพระเจ้า ก, ก, ก็สบายใจตรงนี้ก็คือว่ากรณีที่เห็นความเกิดดับทุกๆขณะนี่นะเออตามเข้าใจนี่นะเป็นอัตรา บ, บอกว่า ความเป็นอัตตาของรูปปัจสถานและนามัสันติเนี่ยก็จะค่อยๆหมดไปเมื่อทําความเข้าใจได้ถูกในเบื้องตอนอ้นตรงนี้นะความเกิดขึ้นของยานที่ทําลายอัตตาได้เนี่ยก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็หมายความว่าทําความเข้าใจให้ถูกในการฟังเนี่ยเมื่อเมื่อเข้าใจให้ถูกและทําความเข้าใจให้ถูกนั้นให้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมหมะทําความเข้าใจให้ถูกให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีความเห็นสอดคล้องตรงนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตรงนี้ก็เรียกว่าความเห็นที่เป็นอัตตาก็จะค่อยๆหายไป โดยทั่วไปแล้วเนี่ยโลกรยชนเนี่ยไม่รู้ว่ามีความแก่ทุกๆขนาดเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราไม่บางทีเราบอกว่าเราเรียนกันมาเนี่ยมันมีชราใช่ไหมมีความแก่บางทีเนี่ยแม้ชั้นของพระดีกาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านอธิบายเนี่ยนะให้สังเกตดูเถอว่าเวลาเราศึกษาคําสอนเนี่ยหนึ่งในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในกายยยสัณฐานทั้งหลายเนี่ย ในเยื่อในกระดูกในไตในหัวใจในตับในปอดในผงผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยหายหมายถึงกับแม่ในมันสมองในดีเซลเปต์ตัวนึ่จะมีชราเนี่ยนะเข้าครอบงํำตลอดเวลาแล้วก็มีมรณะใช่ไหมก็จะบอกว่าชราและมรณะมีตลอดเนี่ยให้เข้าใจรูปรบกายเป็นสันฐานอย่างนี้ก่อนอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ถูกเสียแล้วนามาสันตติตัเตณิมจะได้ชัดนามาทำไม่ต้องพูดถึงเลย แต่ว่าต้องเจาะเจาะรู ป, ประทรับนต่างๆเหล่านี้ให้เข้าไปทุกจุดทุกอนูของร่างกายให้ชัดในการทำความเข้าใจเพราะเราเข้าใจผิดมานมนานแล้วเข้าใจใช่ไหม <laughs> ให้เข้าใจอย่างนั้นว่าโอ้ชาลาชาลาภัยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เคยหยุดตัวมาพูดตลอดมันไม่เคยอยุ่ตัวเลยชาลาภัยและมรณะภัยใช่ไหม <laughs> มันทุกทุกขนาดชาลาภัยและมรณะภัยเนี่ยมันทุกขุกขนาด ถามว่าถ้าไม่เห็นชราภัยมราณะภัยทุกๆขนาดอย่างนี้แล้วถ้าตัณหาเห็นอย่างเนี้ยมันทะ ด, ดุง่งมันกลัวมันไม่เข้าไปยืดหรอกใช่ไหมตัณหามันเห็นอย่างนี้จริงๆมันเข้าใจอย่างนี้จริงๆไงโดยสูตรเนี่ยนะโดยคําสอนเนีถ้าฟังงนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้คื อ, ค, อคือเราพูดให้ดูในปัจจุบันก่อนแล้วดูค่อยดูเหตุปัจจัยอยีกทีเพราะว่าต้องพูดทีละอย่างอย่างเนี้ยนะคือคือให้เข้าใจว่าถ้า ถ้าหากว่าตัณหาหรือทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยมันไปเห็นอย่างเงี้ยนะเข้าแต่เ ข, ข้าวความสําคัญว่าอัตตาเนี่ยมันจะค่อยๆถูกทลายไปทําลายไปนะความเห็นเป็นสักยะทิฏฐิอัตตาทิฏฐิมันจะถูกทําลายไปเรื่อยนะในความเข้าใจที่ไปพิจารณาไปไข้ควรเนี่ยใช่ไหมจินตามยะปัญญาเนี่ยมันทําลายได้ทําลายได้ระดับนี่สวยจริงๆน่ะการกระทำบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกภาวนาแล้วเข้าถึงความจเจริญขึ้นไปว่าความเข้าใจนั้นมันชัดขึ้น ความเข้าใจนะมันชัดขึ้นมันเด่นขึ้นนะ mm hmm. เขาเรนะียกภาวนามันไปจากจินตานี่แหละ mm hmm. เข้าใจว่าไอ้ภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่เอาเอาเอาว่ามา เ, เดี๋ยวทำ ม, มาแล้วมาลืม เ, ล <laughs> เอาว่าไปเพราะว่าเราเราต้องเข้าใจรนะดับคิดก่อนใช่ไหมอัาจารย์ฟังก่อน เนี่ยถ้าฟังไม่เข้าใจไปคิดเพี้ยนเลยเอ า, อางั้นดีกว่าฟังเข้าใจแล้วมาไขาครว น, าวนการไขครวนจนสามารถเด่นชัดในใจได้เป็นภาวนาแล้วมาแตกจากในใจมันเด่นชัดในใจแหละจะพูดเราไปจากหรือพูดอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละก็เรียกภาวนาภาวนาจะต้องเจริญขึ้นความเข้าใจชัดขึ้นนั่นแหละก็กภาวนา <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมใช่ <c oughs> มันต้องเป็นอย่างนั้น ต้องหาคนรับรองเลขาวัจนธาถ้าใครบอกว่ามีวัจนธาเราลองไว้ก็จะรอดอ๋อตรงนี้คือใช่ก็ใช่คือนั่นแหละคือคือภาวนามีสองส่วนเนาะ สมาธาภาวนาและวิปัสนาภาวน า, า, า, วนาจช่จหมาาถ้าไปรู้ตามความจริงเป็นในด้านของวิปัสนาภาวนาถ้าหากว่าทําศีลคือจริงๆคําว่าภาวนาเนี่ยเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเจะเลยใช่ไหมยิงๆกันไปไปดูดิอัตถาของภาวนาที่เป็นอย่างนั้นทีนี้พอพูดแค่นี้มันไม่มันไม่พอไงไม่พอเลยละคาพูดแค่นี้ เพราะว่าเท่าที่สังเกตมาพูดแค่นี้ไปถามดูแล้วไม่พอแล้วก็ต้องมามนั่งลุยกันเข้าไปและในยุคต่อไปจะขนาดไหนจะหาศัพท์ที่มันมากกว่านี้ได้ยังไงก็ำลังคิดอยู่ที่ทํายังไงให้ให้สัตว์ทั้งหลายหรือเราท่านั้งหลายเกิดความรู้สึกว่าเออเป็นอย่างนี้แล้วการเดินขึ้นไปเจาะพิจารณาใครควรอย่างนี้ ก็ก็ตรงนั้นเนียบางทีก็มันก็หายาวกันเลยในเรื่องตัวอย่างเนี่ยก็ก็ก็ปริมาณคือบางทีก็ไม่เข้าใจด้วยว่าผู้ฟังปรารถนาแค่ไหนอย่างไรให้ตรงนี้เนี่ราก็ไม่ไม่รู้ว่เดินมากแต่แต่ถ้าอธิบายในลักษณะนี้เดินมากที่หลายท่านที่เขาไม่ค่อยอธิบายกันก็ถือว่าบงชามั้งใช่เขาต้องการจะรีบเดินเร็วๆเลยต้องการจะเดินให้เร็วๆและจบเรื่องไปเลยเงี้ย ซึ mm ่ง hmm. ว um, ่าทุกคนก็มีเป้าหมายใช่ไหมบอกว่าเดินแค่นั้นถึงจุดนั้นจะรีบพอๆกันได้หยุดอะไรเงี้ยเนี่ยต่างคนต่างเลยไปทํากิจกันอะไรเงี้ย อ่าเข้าใจเข้าใจถึงก็ถือว่าตรงนั้นนั่นแหละพระเทเจ้าเนี่ยท่านจะมียานอย่างรู้ตรงนี้เนาะเวลาท่านตรัสเวลาท่านตรัเตรสเทศนาต่า ง, างมายกในปัจจุบนันนี้ทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังต่างคนต่างก็มึนๆด้วยกันเนี่ยเนาะก็เลยก็เลยไปเลยก็เลยไม่รู้ในอัธยาสัยใช่ไหมต่ละคนเนี่ยนั่งอย่นเนี่ยไม่ทราบว่ามีมีเป้าหมายแค่ไหนยอย่างไรก็คือมองหน้ากันแล้วอ่านใจไม่ออกอะอ่านใจไม่ออก มันก็เลยก็เลยต้องไปแบบนี้แต่ว่าก็ อ, อ่านี่แหละก็จะเป็นลักษณะอีกอีกสักนิดนึงเนาะกายจะจะจะหมดเวลาแล้วก็คือลักษณะการทำลายอัตราดังที่ได้กล่าวนี่นะก็คือการที่เข้าไปรู้ในเรื่องของชาราธาตุมรณะธาตุของรูปเวทนาทัญญาสังขารวิญญาณที่มีการเกิดดับอยู่ทุกๆขณะนี้เนี่ยว่า อัตตารูปสันฐานนามจักไม่มีนะจักไม่มีแล้วก็ในสุดยิงญานนั้นน่ยก็เกี่ยวในเรื่องของสมาธิิสมาวยามาแล้วก็สมาสติต่างๆเหล่านี้ก็ทํากิจในการที่จะไปทําลายอัตตาเขาถึงบอกว่ารู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสมาธิิ่เป็นสมาธิิความรู้งูเธอจะเป็นสมาธิใช่ไหมตัวสมาธิิก็ไปแวดล้อมสมาธิิเก่าตั้งหลักให้ถูกแล้วก็ไปขยายวิริยะก็เพียรละมิจฉาทิฏฐิก็ถึงสมาธิสติก็ ตามึกษ์เพจะรับมิจฉาทิฏเข้าถึงสมาธิิเห็นไหมความสมาธิสมมาวิมาสมาติก็แวดล้อมสมาธิิด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้เรียกวิปัสสนาสมาธิิแปลว่าเข้าไปไปทํากิจและในการไปวิจัยในการไปไข้ควรไปพิจารณาอย่างนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยโลกย่าชนเนี่ยนะดังที่ได้กล่าวก็คือว่าเราทั้งแก่ทั้งตายกันทุกทุกขณะมิตั้งแต่ปฏิสนธิมาแล้วเนาะแต่ทั้งหลายที่มีอายุหนึ่งวันสองวันเดือนเป็นปีเป็นพันปีอะไรก็แล้วแต่ก็จะสําคัญผิด ในที่สุดจริงๆก็ยึดถือกันห้าที่จริงขันห้าเนะี่ยมีเวลาการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในชั่วกระพริบตาชั่วฟ้าฟ้าแลบเนี่ยก็ต้องเป็นแสนโกรธขนาดแล้วใช่ไหมมันเกิดดับเป็นแสนโกรธขนาดใช่ไหม แต่สัตว์โลกก็ไปเข้าใจอรูปนามขันห้าทั้งหลายที่มันเกิดดับเพียงครั้วฟ้าแลบขั้วกระพริบตาเนี่ยว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นความสืบต่อมาอย่างอย่างอย่างชนิดที่มองอะไรไม่รู้เรื่องกันแล้วเนี่ยมึนๆกันจนหมดแล้วเนี่ยนะก็ให้เข้าใจแท้ที่จริงแล้วมันเห็นไหมขั่วชั่วกระพริบตาแต่ละครั้งแต่ละครั้งชั้วฟ้าแลบแป๊บแป๊แ ป, แ, ปแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดดับเป็นแสนโกรธครั้งแต่สัตว์โลกไม่เข้าใจเลย แล้วก็ยึดเลยว่างั้นเถอะถ้าบอกว่าไอ้คนคนนี้ใช่ไหมก็ขนาดผ่านมาวันหนึ่งมันยังบอกคนคนนี้อยู่นั่นแหละมันรับว้าแลบกี่ครั้งเนี่ยกระพริบตากี่ล้านครั้งกี่โกรธครั้งจากชั่วโมงนี้มาถึง น, นก็ยังมองว่าคนคนนี้อยู่นั่นแหละเห็นไหมความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลเนี่ยมันหนานแน่นมากนี่คืออัตตาทิฏฐินี่คือสักกายทิฏฐิใช่ไหม แล้วเรายังจํามแม่นอยู่เลยคนนี้ว่าให้คนนี้ชมแล้วเห็นหน้าคนนี้เท่ายความรู้สึกก็ผมไม่เพิ่มเลยคัดเครื่องอยู่นเนี่ยนี่คือมาจากอัตถิทิเนี่ยคือสักยะทิทิบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยด่าเรามันไปบอกโทสะที่อ่านมาบอกกันก่อนเนี่ยนไงไม่ไปบอกไม่ออกโทสะไอ้คนนี้อย่ามองหน้ามันนานเข้าใจใช่ไหม ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่เลยเป็นคนละขณะคนละเรื่องคนละราวเกิดจากการสืบต่อกันแล้วเร็วมากเ<ม>พราะไม่เห็นชล า, าธาตุมรณะาธาตุนี่แหละของรูปนามกันหานี่แหละมันก็เป็นปัจจัยเอาหลงเข้าไปาสงสัยเข้าไปใช่ไหมเอากโรกรธเข้าไปเอาลิสยาเข้าไปเอาตนีเข้าไปหวงแหนอัวไปเยอะแยะหมดมันจะป ล, กลุกเรา กิเลสเอกุศลธรรมมันลามวงทั้งหลายบาปปฏิทิบาปรบาประกรมทั้งหลายมันจะมาจะอิสักยะทิฏฐินี่แหละหมอพูดอะไรก็ น, นึกเมฆเอเนไมันจะเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจใช่ไหมแล้วจะเป็นอย่างงี้ก็ก็ใครครวรให้ดูึ้นมาแม้กระทั่งนั่งเรียนประถมแม้วันนี้ปวดหัวเรียนไม่ค่อยเข้าใจเราแย่เป็นเรามานั่งเรียนกันไม่แถวเป็นเห็นไหม เป็นสัตว์บุคคลมันนั่งเรียนกันเป็นแถวแล้วมันก็คิดตะลึงไปหมดแหละแล้วแล้วทีนี้อ้มจะหมดเวลาเนี่ยไว้ตอนต่ออีกหน่อยเนาะอย่างงั้นหลังจากตอนเตุแล้วเะวยกันถ้เนนี้ด่เราเราต้องโกรกเขาวันนี้งกเรียนเรื่องแล้วจะื่นยังไงไม่ตื่นพี่ชามันดับแรกลนดับแรกก็คือว่า ว่ า, วาใช่ไหมนี่ไงโอดของความเห็นว่าลําดับแรกตามความเข้าใจตามไปต า, ามคําสอนของพระเจ้าใช่ไหมตามว่ารูปนามที่ด่าไปมันแตกดับไปทั้งนานแล้วเราก็ยังมาใช่ไหมเออเราก็มาหลงยึดหลงโกรธรูปนามที่มันคนละรูปคนละส่วนนี้การสืบต่อมา ไ, มได้บอกว่าหนึ่งเราโกรธเม็ดมะม่วงที่ฝังลงในดินพอเห็นเมล็ดมะม่วงที่อยู่บนยอดเรามาโกรธอีกไเมล็ดม่วงบนยอดเราไปสำคัญมมวันเม็ดเดียวกันน ใช่ไห ม, มเมล็ดม่วงที่ฝังในดินเนี่ยกลับเมล็ดม่วงที่มันมันโผ่ออกมาบนยอดต้นมะม่วงเราไปโกรธเ่อบอกแม่ไม่เอาแล้วันนี้โดยํำนวนก็คือว่าเกลียดแม่โกรธลูกออะลาหังสัมมาสัมพุทโธพระกะวา พู้ทางพกวันธรรมิวาเกสวากาโตพรกวาตาธรรมโมธรรมัสสุบปิบัโนโนพกาวโตวสาวกาสังโฆสังขัญธ์ธรรมวัดเอากระดัด